ทำความเข้าใจเกี่ยวเรื่องจิตต่อเนาะออคัมภีร์ภาพพิธามมัทธสังขหารี่เป็นของพระนุรุ ธ, ธาจารย์นะถามว่าพระนุรุธาจาร์เนี่ยท่านเป็นชาวอินเดียตอนใต้อยู่ที่ไหนบ้านเกิดท่านอยู่ที่ไหนที่ท่านเป็นคนแต่งนะคัมภีร์พระอนุรุธาจารย์เนี่ยอยู่ที่กาญจิปุระกาวินกันจิแควนมัธราศ ท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญในคำพอภพิธรรมปิดกในภาคพภพิธรรมปิดกมากอยู่ท่านอยู่วัดตุูและโสมารามนสิงหนที่ลังกาเนี่แหละเมืองอนุราษบูรีตอนนั้นก็มีนำผ้าอุบาศกซึ่งเป็นโยมอุปถาของท่านและเป็นผู้อุปถัมภ์ในการศึกษาเล่าเรียน ในการในการเล่าเรียนและในการศึกษาพิธธรรมด้วยได้อาราธนาท่านเนี่ยแต่งคัมภีร์เนื้อหาพระวิธรรมตรงนี้นะเวลาเราเรียนพิธธรรมเนี่ยเขาถามว่าเราเรียนพระวิธรรมเนี่ยเป็นผลงานของใครแล้วก็ต้องบอกเป็นของท่านพานุรุท ธ, ธาจารย์ใช่ไหมท่านพานุรุท ธ, ธาจารย์ท่านก็เลยแต่งเป็นคัมภีร์ขึ้นมาเขาเรียกว่าร้อยกองร้อยกองเป็นคาถานี่ ส่วนร้อยแก้วนี่เป็นคำอธิบายท่านแต่งเป็นจำนวนร้อยกองหรือร้อยแก้วฮะร้อยกองหรือร้อยแก้วร้อยกองร้อยกองนี่หมายถึงอะไรคำอธิบายนะเนี่ยตรงเนี้ยท่านก็แต่ง เป็นสำนวนร้อยกองเป็นคาถาแล้วก็ร้อยแก้วด้วยครับอธิบายทีนี้อภิธรรมมัจาสังหาก็แปลว่าคำพีที่รวบรวมเนื้อความของพระวิธรรมโดยย่อท่านแต่งในตั้งแต่ปศห้าร้อยนะพุทธหลังพุทธปรีดิพานห้าร้อยแล้วก็เป็นเพชรน้ำเอกในวงการพุทธศาสนาเขาเรียกว่าอัตกถาอะไรชื่ออัตกถาอะไรไม่เาเรียกอัตกถานิ้วก้อยอัตกถานิ้วก้อย ที่ชื่อาอาัตกถฐานิ้วก้อยคืออัตกถาชั้นที่หนึ่งเนี่ยเป็นอย่างนั้นแล้วต่อมาก็มีคำพีหนึ่งที่ขยายให้อาตกถานอีก ท, ท, ทีหนึ่งเนี่ยเขาเรียกว่าคำพีดีกาเนี่ยดีกาคาว่าดีกาหมายถึงวาจาเป็นเครื่องกําหนดคือการ ทำให้แจ้งก็หมายถึงการกระทำอัตรกระถาให้แจ่มแจ้งให้ชัดเจนขึ้นเป็นคำภีที่อธิบายเนื้อความในคำภีอัตระอัตรกระถาอีกทีหนึ่งทีนี้คำพีอัตรกระถาที่มาอธิบายพระพิธรรมนี่เรียกว่าอะไรอาพิธรรมมัถวิภาวณีดีกาเคยได้ยินไหมน่แหละเป็นคำภีขยายอัตรกระถาอีกทีหนึ่งเนาะ เรียกว่าเป็นวงการศึกษาพระบารีดีกาสังหาหรือวิภาวนีดีกาเป็นคัมภีร์ที่กล่าวแก้ขยายเนื้อความในอภิธรรมมัทธสังหาแต่งโดยใครอภิธรรมมัทธวิภาวนีดีกาแต่งโดยใครชื่อว่าพระสุมังค า, ารา j a n นะพระสุมังค า, ารา j a n นะครับพระสุมังคาจารย์ขั้นกล่าวไว้ในท้ายคมภีบอกว่าท่านอยู่ที่เชตวันวิหารในปุรัตถินครประเทศลังกา คือลังการมีวัดเชตาวันกันนี่ประเทศไทยมีวัดเชตาวันไหมมีชื่อวัดเชตาวันไหมมีไหมเคยได้ยินไหมในประเทศไทยมีไหมวัดเชตาวันมีเชตุพนอ่าเชตาวันไม่มีมีเชตุพนเนาะแต่จริงๆน่าจะมีนะแต่เทศ lain, ่อลองัลอ ง, ล ง, ล ง, าางการกมีมีชื่อวัดเชตาวันมีมีชื่อล้อล้อในสมัยคัมพุทธการก็มีอ่ชื่อวัดเชตวันชื่อพระสุมังคาราจานัน เอสสุมังคาราจารย์เนี่ยในประเทศไทยเรามีผ้าอยู่ลงที่แปลมงคณเนี่ยใครเชื่ออะไรมงคลที่แปมงคณ์ที่หนูเรียนเนี่ยจะไปแปลเนี่ยในบาหลีใครเป็นคนแต่ง<ม>เออนีชาวเชียงใหม่คนละองคกันนะเดี๋ยวไปปนกันสุมังคราจาร์ชาวเชียงใหม่นี่เป็นผ้าไทยอันนี้สุมังคาราจาร์นี่ท่านเกิด <c oughs> ที่นู้นที่ศรีลังกาเนอะ ท่านเกิดตรงสมัยกับพระเจ้าปรักกมะพาหุปรักกมะพาหูเนี่ยเป็นมหาราชเป็นมหาราชเลยเกิดในพศ1695จนถึง1729 เ, เป็นกรรษัตริย์องค์ที่119ของลังกาเออถามว่าพระสุวังคารารย์ท่านใช้เวลาในการรจนาอยู่นานไหมกับพีนเนี่ยพิธรมัทมาถา ว, าวิพรวนิดีการเนี่ย ท่านใช้เวลารจนาอยู่ยี่สิบสี่วันครับยี่สิบสี่วันอันนี้ม่งบอกถึงความฉลาดหรือไม่ฉลาดฉลาดมากขณะรจนานั้นได้ตั้งความปรารถนาว่าขอให้ได้เป็นาศาสนาทาย า, าทของพระสิยเมตตาอีาพวกเราเวลาจะเรียนคมภีร์พวกนี้แล้วเราตั้งอัธยาศัยกันยังไงเนี่ยอยากจะตั้งอัธยาศัยเพื่อจะเป็นาศาสนาทาย า, าทของพระสิยเมตตาอีกไหมคืออยากได้ไปบวชในาศาสนาของพระสิยเมตตา แล้วก็เป็นผู้แตกฉานในกคมพีอะไรตั้งใจไว้ดีนะนะอยากจะยิ่งใหญ่ยังไงก็ตั้งปรารถนาไว้หรืออยากจะเป็นเหมือนพระเจ้าเลยก็หรือจะอว่าไปนะนี่เป็นอย่างนี้นี่พระสุมังคราจารย์ท่านก็ตั้งจิตปรารถนาไว้อย่างนั้นประการพิเศษเนี่ยประกา ร, ป ร, ก ร, รประการหรือปการนาเนี่ก็แปลว่าทําไว้โดยประการอะไรต่างๆนะปะการนาเนี่ย ก็คือแต่งขึ้นเองฉะนั้นน่ยปากกอนเนี่ยจึงต่างจากคําว่าคัมภีเพราะคำพีเพราะมีอัดอันลึกซึ่งสุ ข, ขุมเป็นเนื้อความเนื้อหาที่เข้าใจได้ยา ก, ยาก <trabaj os> เช่นคัมภีพระตระีพิฎกเนี่ยนะเรียกว่าคำพีเพราะมีอัตว่าอันลึกซึ่งจึงจําเป็นที่จะต้องอาศัยผู้รู้เข้าใจอัตตะเนื้อความนั้นทําการขยายเนื้อความอีกทีหนึ่งถึงจะเกิดความเข้าใจเป็นต้นได้น้อส่วนปากกณ์นั้นเน่ยเป็นคัมภีด้วยก็ได้หรือไม่ใช่คัมภีแต่เป็นเพียงหนังสือตําราก็ได้ ส่วนคําว่าปรกรณ์พิเศษหรือวิเศษเนี่ยที่กล่าวนี้จัดว่าเป็นคัมภีร์ด้วยและเป็นคัมภีพิเศษที่อธิบายเกี่ยวกับเรื่องของว่าธรรมวินัยต่างๆโดยทั่วๆไปเช่นวิสุทธิมรักวิสุทธิมรักนี่ก็อธิบายเรื่องศีลสมาธิปัญญาตามแนววิสุทธิเจตแต่งโดยใครแต่งโดยพระพุทธโคสอาจารย์พระพุทธโคสาจารย์องค์ไหนไม่ใช่องค์ปัจจุบันนะองค์ปัจจุบันนี่แต่งแต่งคัมภีร์อะไร พุทธธรรมไงอันนี้ไม่ใช่คนละองกันนะพุทธธรรมเนี่ยไม่ใช่พระพุทธโคษาจารย์นี่เกิดในสมัยเนี่ยรุ่นรุ่นเดียวกันกับอภิธรรมมัทสังหารุ่นรุ่นเดียวกับพระนุรุธาจาร์เนี่ยตอนนั้นท่านแต่ว่าพุทธโคสาจารย์ท่านเป็นชาวอินเดียตอนใต้ท่านเกิดอยู่แถวเนี้ยแถวพุทธกยานี่แหละแถวรัตพิหารนี่แหละถ้าเราไปที่พุทธกยาก็จะไปเจอเจดีย์ของท่านอยู่ข้างๆพุทธกยานั่นแหละ แต่คนไม่ค่อยไปให้ความสนใจกันเท่าไหร่ถ้าพวกศึกษาคมพี์ทั้งหลายไปตรงนี้โอ้โหศึกษาคำพีวิสุตติมาร์ศรัทธาในคมพีวิสุทติมาร์ก็จะไปบูชาเจดีย์ของท่านตรงเนี้ยท่านเดินทางไปจากอินเดียนี่ไปไปแปลคมพีนะพระเดชวิโดกจากภาษาสีหนสิงหนเป็นภาษาพคตนะนี่เป็นอี้เงนีถามว่าพระพุทธกศอาจารย์เนี่ยใช้เวลาแต่งคำพี์วิสุตติมาร์ตอ่ะ เล่มใหญ่ๆเนี่ยที่เราเรียนกันเนี่ยทั้งสานิเทศทั้งสีลนิเทศสมาธิปัญญานิเทศทั้งหลายเนี่ยพระพุทธโฆษาจารย์ใช้เวลาเท่าไหร่อใช้เวลาเท่าไหร่ เ, เขียนคำพีเล่มนี้ยสีเปฏิท thyroid niro nirospanyo jitang p a n y a n า a pawyang ata pinibogo piku soy m a n g w i ต h a t t e y e c h a s เนี่ ย, ายา น, น, ญญยญญาานะยนนยแค่นี้ยตอนนั้นพระมาหาเถระในหมหาวิหารบอกว่าจะมาชําระคัมพี์พุทธศาสนาเนี่ยต้องช่วยขยาย พุทธพจนี้หน่อยในกรบพีสังยุทธเนี่ยวางงจะยนกัะพียนพ์พุทธพจน์ให้ท่านไปขยายท่านก็ไปแล้วก็ไปเขียนเขียนจะหกโมงถึงสี่ทุ่มหลับท่านใช่ไหมเขียนเสร็จแล้วเขียนแป๊บหลับตื่นขึ้นมาอา้าวพอตื่นขึ้นมาตอนทักห้าหกทุ่มอา้าวหายไปแล้วกระพีให้แต่งหมเขียนเขียนอีกปุ๊บประมาณจะตีสอง ก, กว่าหลับไป กืบจะตีสามตื่นขึ้นมาเอ้าหายอีกแล้วท้านก็นเขียนใหม่ <c oughs> เขียน <c oughs> เขียน <c oughs> เขียนเขียนปุ๊บสว่างสรุปแล้วท่านเขียนได้สามผูกสามเล่มใช่ไหมเวลามีรูปอะรูปถ่ายท่านที่เอาไปยื่นถวายพระมหาเทราโอ้ท่านสามผูกเลยสามสามสามเล่มเลยเป็นไบร์ลันเนี่ยท่านจารึกไปในไบร์ลันสรุปแล้วใช้เวลาคืนหนึ่งเนะี่ยเขียนจบสามครั้งเหมือนกันเป๊ะเนี่ยเป็นกัมพีที่เราใช้เรียนกัน เราใช้เรียนกันตั้งเป็นหลายๆปีกว่าจะจบแต่ท่านใช้เวลาเขียนเยยท่าไหร่เออนี้ก็วัดความสามารถถ้าสมังกรอาจารย์ท่านเขียนวิภาวดีดีกายี่สิบสี่วันเพาราะว่าตโสครอาจารย์ก็โอ้เขียนขนาดนั้นต้องยอมรับความฉลาดของคนยุคนั้นไหมแต่ไม่ใช่เรา แล้วต่อมาก็มีคำภีมิรินทปัญหาเนาะบันทึกการสนทนาธรรมะระหว่างพระนาเกษตรกับพญามิรินพญามิรินเนี่ยเป็นเชื้อชาติกรีกสารานครเนี่ยนะในประเทศอินเดียก็เป็นชาวกรีกนะพญามิรินเนี่ยในระหว่างพศส2 3รถึง4ี่ราาคนที่รศนาคำภีมิรินทปัญหาคือ พันติปีตะ ก, กะจุราพยาเถระในพศห้าร้อยสรุปคือตรงนี้ก็คืออภิธรรมมัตสังคหาเนี่ยรจนาหลังวิสุทธิมรรคไม่กี่ปีนะราวราวพศเก้าร้อยปีเศษเศษโดยพระนุรุ ธ, ธาจารย์เนี่ยแต่งในประการพิเศษทั้งสามนี้เนื้อความจัดว่าเป็นคำพีและส่งเคราะห์เข้าเป็นอัตกถาผู้รจนาเป็นอัตกถาจาร์ คําว่าอัตกถากับอัตกรถาอาจารย์นี่ต้องแยกกันเนาะอัตกถาก็คือการขยายเนื้อความพระบาลีอัตกรถาอาจารย์ก็คืออาจารย์ที่ไปตกแต่งจัดแจงทั้งหลายเนี่ในการขยายความพระบาลีนั่นแหละแต่ท่านไม่ใช่ขยายให้มันเกินเลยคําสอนไม่ใช่เงนในครั้งพุทธการมีการศึกษาพระวิธรรมแต่ไม่ได้เป็นการจารึกลงให้เป็นกิจลักษณะเท่านั้นเอง ในสมัยค้างพุทธกาลมีไหมมีมีคนเรียนอภิธรรมหรือยังสมัยที่พุทธเจ้ามีทรงพระชนอยู่ถ้าเขาถามอย่างเนี้ยอภิธรรมเนี่ยเกิดในยุคที่พุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่หรือว่าหลังเราจะตอบเขาว่างไงหนูเรียนมาตั้งหลายปีแล้วตอบหน่อยว่าพระอภิธรรมเนี่ยมีหลังพุทธกาลหรือมีในสมัยค้างพุทธกาลเลยพระอภิธรรมเนี่ยอ่าพุทธเจ้า ไปโปรดพมานดาเนี่ยใช้บทไหนไปโปรดคำพีอวิธรรมเจ็ดคำพีนี่แหละหลังได้ตัดสู้แลกกี่ปีกี่พรรษาไปไปโปรดพุทธมารดาโอ้ยเรียนอวิธรมมาอย่างไงวะเนี่ยน่าน่าหยิกจังก็เจ็ดปีไงเ็ดพรรษาไงพรรษาที่เจ็ดไงขึ้นไปที่ดาวดึงไงตอนนั้นอ่ะก่อนที่จะขึ้นดาวดึงตอนนั้นพุทธเจ้าไปอยู่ที่ไหน อยู่ที่ไหนอยู่ที่เชตาวันไงใช่ไหมเคยไปแดนยมกไหมแดนยะมะกะเนะ่ตรงที่ตรงนั้นแหละพุระร้าประกาศว่าพรรษานี้แตถาค้จะไปจำภรษาที่ดาวดึงโอ้โหประชาชนก่อนที่จะไปประจําภาษาที่ดาวดึงพรเจ้าแสดงยะมะกะปพิธีหานใช่ไหมประชาชนในทั่วชมพูทวีปโดยส่วนใหญ่ได้พากันหลั่งไหลไปเต็มไปหมดแล้ว บริณในบริเวณ30สโยต์น่ยโยต์ละสิบหกกิโลเมตรเนืองแน่นไปด้วยประชากรเพราประชากรเดินทางไปตอนนั้นไปดูการแสดงยะมะกับปฏิหารที่จะแสดงยะ ม, ะยะมะกับปฏิหารเพื่อจะปราบพวกกลุ่มอัญญาเดรถีทั้งหลายเหล่านี้ที่ไปท่าที่ไปปลูกต้นมะม่วงนั่นแหละแล้วหลังจากแสดงยะมะกับปาฏิหารในครั้งนั้นแล้วพระรยาแสดงทำด้วยแสดงปฏิหารด้วย สัตได้บรรลุกันสองรอยล้านสองร้ล้านนะได้บรรลุในครั้งนั้นนะ่ะแต่ไม่มีเน้นแฮมไม่มีเนนบอมอยู่ในนั้นแล้วพระเจ้าก็เสด็จจะไจำรรษาที่ดาวดึงใช่ไหมไปจำภรษาอยู่ที่ดาวดึงเนี่ยสามเดือนอย่างนี้ช่วงเนี้ยช่วงภรษาที่เรากําลังศึกษากันเนี่ยช่วงนี้น่ะพระพุทธเจ้าจำํำราษาอยู่ทีนี้บุคคล พระพุจ้าไปจำภาษาองค์เดียวหรือว่ามีภาษาเวกไปจำภาษาด้วยองค์เดียวไปประทับที่ไหนที่แท่นปันทุกกัมพลศิลาอาตพระแท่นกัมพุกปันทุกข์กัพลศิลาอาตเป็นที่ประทับนั่งของใครก่อนของพระยินพอพระพุเจ้าไปแล้วพระยินต้องสละที่นั่งมานั่งที่อื่นใช่ไหมพายินวิปริวิตกมากที่แรกไงเพราะพระยินมีตัวใหญ่หรือตัวเล็กตัวใหญ่มากก็นยกว่าโหพระพุเจ้าเนี่ยเวลาไปนั่งขึ้นมาเนี่ยจะเหมือนนก ตัวเล็กๆไปเกาะ อ, อยู่ที่บนพระแทนกัมพุปันธุกธัมพลจราหา์เนี่ยที่ดูไม่เหมาะสมเลยเนี่ยโอ้โหพอพระเจ้าโยนปูราสังขติลงไปก่อนฟุบคุมพระคุมแท่นว่ชย์เหมือนแนวโยนอาสนะไปก่อนเลยสังขติไปก่อนคุมพอดิบพอดิพดีเลย แล้วพระเจ้าประเสด็จประทับนั่งก็พอ ด, ดีกับท่านปันทุกัมพลศิรลระเลยโอ้โหเท้าสก่าคานปุ๊บปุ๊ปมามากราบเท้าขอขมาเลยดูหมิ่นเลยไม่เข้าใจดูมิ่นพุทธบา ร, รมีพรงพรทธเจ้าไม่รู้จักพระพุทธเจ้าซะแล้วใช่ไหมแล้วพระเจ้าก็แสดงไม่ลุกไปไหนเลยแสดงอย่างนั้นนะ่ะกี่เดือนสามเดือนพูดทุกวันปุป๊บปุปป๊ตลอดแสดงทำอย่างต่อเนื่องอะ สามเดือนในดาวดึงกี่วันในในโลกมนุษย์นี่เท่าไหร่นะกี่วันสามเดือนในโลกเออสามเอกกี่วันในในดาวดึงเก้าเก้าสิบวันในโลกมนุษย์เนี่ยเอกี่วันไม่ไม่ถึงวันโอ้โหลองคิดดูแต่นี้พริยาไปในในในด้านร่างกายของเทวดาหรือในฐานะร่างกายของมนุษย์ มนุษย์สิไปในฐานะมนุษย์เนี่ยฉะนั้นจึงต้องออกนะให้พุทธนิมิตเนี่ยนีมีเรืเรามิตรพระเจ้าอีกองค์หนึ่งแสดงธรรมอย่างต่อเนื่องถึงเวลาไปฉันถึงเวลาไปบินนบาตพระเจ้าไปบินนบาพระเจ้าบินนาบาในโลกมนุษย์หรือบินนาบา ท, ที่ไหนไม่ใช่ไปบินนบาต ท, ที่นูน้นป่าหิมะพานนูน้นมาโลกมนุษย์ไม่ได้แล้วมาโลกมนุษย์ไม่ได้เพราะว่า พระเจ้าบอกไปจำภาษาที่เราดึงนี่แล้วไปบินทบาตเสร็จมาฉันที่ตังสาอนโนดาาใครไปอุปถากภาษาลิบุตรไปคอยนวดฟันโอ้นั่งนานเมื่อย ม, ม้บีบนวดให้ตอนนั้นน่ะพระเจ้าพุทธนิมิตก็แสดงทำอย่างต่อเนื่องดูนี่ความสามารถความสามารถขนาดนั้นนะแล้วก็ไปแสดงแล้วก็พระเจ้าก็มาแสดงโดยโดยย่อ ไหมแสดงโดยพิสดารให้กับเทวดาแต่มาแสดงโดยย่อให้กับภาษ า, ษาริบุตรฟังแสดงโดยย่อแสดงแบบหัวข้อย่อ ๆ, ๆแต่ภาษาลิบุตรเก่งไหมเนี่ยทําอย่างนี้ตลอดตลอดตลอดตลอดตลอดจากนั้นบุคคลที่รับการถ่ายทอดคําสอนพระพิธรรมก็คือภาษาลิบุตรข้าใจนะในตอนเรียนไม่ได้เรียนอย่างนี้เลยตอนเรียนทีแรก ไม่ได้ไม่ได้ครูอาจารย์เขาไม่ไสอนแบบนี้เา่าก็ไม่รู้ความเป็นมาสิทั้งนั้นพระวิธรรมเกิดในสมัยไหนสมัยไหนก็สมัยพุทธเจ้ายังทรงวชนอยู่นั่นแหละเอา้าสังเกตรตรงไหนเป็นที่รับรองแต่เนี้ยตอนที่ พ, พระทัพพมาราบุตรเป็นผู้แจกเสนาสนะเขาเรียกเสนาสนะคาประกาศเนี่ยก็คือเป็นผู้ที่แจกเสนาสนะพระพระพระทัพมบุตรเนี่ยท่านเป็นพระหรหันใช่ไม ท่านชำนาญมากท่านก็จะแจกว่าพระที่ทรงพระวินัยแต่ฉานในพระวินัยก็ให้อยู่กลุ่มเดียวกันแต่ฉานแต่ฉานประสูตรก็อยู่ในกลุ่มเดียวกันแต่ฉานพระพิธามก็อยู่ในกลุ่มเดียวกันท่านเหล่านั้นจะได้มีเวลาในการสาธยายสนทนาสอบถามอัฏฐะเนื้อความของพระพิธามพระวินัยพระสูตรของการละกันเป็นต้นเหล่าเนี้เนี่ยมีในสมัยตั้งแต่พุทธเจ้ายังทรงวัชชนอยู่นี่นี่เป็นการเชื่้เห็นนะว่าพระพิธามเกิดในยุคนั้นอภิธรรมแปลว่าอะไร แปลตามสาวก็ไปเวาธรรมะที่ยิ่งเป็นปเป็นเป็นปีดกที่กล่าวถึงธรรมที่ยิ่งนะขึ้นเป็นไปตามลําดับจากตั้งแต่ชั้นต่ําไปถึงสูงสุดคือเริ่มไปตามลําดับภูมิคําว่าอย่างไงคําว่ายิ่งยกตัวอย่างเช่นกามาวจระภูมิรูปาวจระภูมิอรูปาวจระภูมิโลกุตระภูมิแนวยิ่งไหมตั้งแต่ตามลําดับแล้วก็ยิ่งขึ้นไปเรื่อยเืลึกขึ้นไปเรื่อยๆรืตามลำดับนี่เข้าใจยังคําว่ายิ่งอะ่ะมองเห็นไหม เป็นการกล่าวในลักษณะอย่างนี้อวิธธรรมอีกเป็นปรมัต ธ, ธรรมนะเป็นธรรมะที่ประเสริฐอ่าทําไมถึงเรียกว่าธรรมะที่ประเสริฐไนทําไมจึงเรียกว่าทําเป็นธรรมะที่ประเสริฐอา่าเป็นความจริงอเอ้าแฮมทําไมถึงเรียกธรรมะที่ประเสริฐทาไมจึงเรียกว่าธรรมะที่ประเสริฐต่อมาทําไมจึงเรียกธรรมะที่ประเสริฐ ตอบเขาไม่ได้ยุ่งนะว่าวิธรรมเป็นธรรมะที่ประเสริฐเมื่อกี้ยิ่งใช่ไหมมันก็ลึกตั้งแต่เบื้องต้นทำกลางที่สุดใช่ไมมันลึกไปตามลำดับแล้วธรรมะที่ประเสริฐทำไมยิงเรียกธรรมะที่ประเสริฐนะปารมาธรรมเนี่ยเป็นธรรมะที่ประเสริฐทำไมยิ่งเรียกประเสริฐเพราะเพราะอะไรเพิกถอนพอศึกษาไปแล้วเพิกถอนสัตว์บุคคลตัวตนอัตตาตัวตนออกไปได้เพิกถอนกิเลสได้ พอมนเรียนปณมัติธรรมไงก็เพิกสัตว์ออกได้เลยไหมมีแต่รูปยี่สิบแปดเจเปดสิบเก้าร้อยี่สิบเจ็ดเกเิกห้าสิบสองนิพพานเนี่ยก็คือเรียนเรื่องรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญ ญ, ญาณก็ใจ ย, ยังที่เราประเสริฐคืออย่างนี้มันอภิธรรมเป็นธรรมที่มีความพิพเศษทําไมจึงเรียกว่าพิเศษไม่มีเมื่อกี้อภิธรรมเป็นธรรมที่ยิ่งใช่ไหม อภิธรรมเป็นธรรมที่ประเสริฐใช่ไหมอภิธรรมเป็นธรรม ท, ที่ที่พิเศษทําไมถึงเรียกพิเศษนายตอบตอบพิเศษกว่าพระสูตรและพระวิ น, ยนัยนะจึงเรียกว่าพิเศษพิเศษไปจากพระสูตรแต่ไม่ได้หมายความว่าดีกว่าพระสูตรดีกว่าพระวิ น, ยนัยนะ ความดีเนะี่ยไม่ได้ต่างกันแต่คาว่าพิเศษในที่นี้ก็หมายความว่าแยกออกมันพิเศษออกคือมันต่างต่างจากพระสูตรต่างจากพระวินัยเลยว่างั้นพิเศษต่างออกไปแปลกออกไปจากพระวินัยและพระสูตรคำว่าธรรมะแปลได้หลายในไหมคาว่าธรรมะนี่แปลได้หลายในหมธรรมะแปลว่าอะไร มีคําว่าอัตโนรคคณังทาระยะตีติธรรมาเนี่ยธรรมะเพราะอาถรวาทรงไว้ซึ่งลักษณะของตนเดี๋ยวเน้นดูไม่ทันเนี่ยนยวิ่ฮะธรรมะเนี่ยนะเป็นเป็นทรงไว้ซึ่งลักษณะของต น, นทำทั้งหลายที่เป็นกุศลเป็นอกุศล ไม่เป็นเป็นอภิยากตาเป็นต้นอะไรเนี้ยไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลทั้งหลายเป็นต้นอะไรนี้เมื่อะะวานได้พูดถึงไปแล้วตามลําดับทั้งปน า, ามกถาก็พูดแล้วใช่ไหมแล้วก็พูดเรื่องอะไรพูดเมื่อวานเนี้จะขยายอะไรเนะี่ยถึงโทสะไปแล้วใช่ไหมวันนี้เข้าอะไรเอาเอาออกมาเลยขยายความไปเมื่อวานพูดถึงเรื่องโทสะ ถึงไหนเมื่อวานนี่ถึงไหนแล้วถึงโทโทสารเนาะโทมนัสเวทนาเออทวนนิดนึงถามว่าโทมานัสเวทนากับปฏิฆาหรือโทสารนี่ต่างกันหรือเหมือนกันอย่างไรเมื่อวานพูดถึ่างโทมนัสเวทนาเป็นขันอะไรโทมานัสเวทนาเป็นขันอะไรปฏิฆาเป็นขันอะไรสังขารขันนี่คือความต่างกันนะ เมื่อวานก็พูดถึงเรื่องอาคารวัตถุสิประการเนาะคำว่าอาคารวัตถุก็แปลว่าอะไรนายแปลว่าอะไรอาคารวัตถุอ้าวแปลว่าอะไรอาคารวัตถุอ่าที่ตั้งเห็นความอาฆาตสิอาคาตะก็แปลว่าความผูกใจเจ็บและความอาฆาตเนียความอาฆาตความเขยดแค้นได้แก่เหตุหรือเรื่องราวที่อาศัยเกิดขึ้นเห็นความอาฆาตความปัญหาทมีเก้าอย่างนะ บุคคลก็มีความอาฆาตเพราะมีความคิดเกี่ยวกับการกระทําของผู้อื่นเขาได้ประพฤติสิ่งที่เสียหายแก่เราเขากําลังประพฤติสิ่งที่เสียหายแกเราเขาจักประพฤตินะนะเขาได้ประพฤติเนี่ยก็คือเคยประพฤตินั่นแหละเข้าใจนะทําให้โกรธได้ไหมตรงเนี้ยเป็นเหตุแห่งความโกรธนะเมื่อวานได้ไล่ไปตามลําดับแล้วทีนี้ก็พูดต่อ พูดเรื่องอาคาตวัตถุต่ออาความกโกรธก่อนอาการของปฏิฆาจิตเนี่ยทรมนัสสาขาตังปฏิฆาสมัมยุตตังอสังขาริกังเนี่ยจิตดวงนี้ย่อมเกิดแก่บุคคลผู้ประกอบด้วยทรมนัสเนี่ยทรมนัสในอะไรขะทรมนัสในไหนเวลาเกิดทรมนัขึ้นมาทรมนัสสาขะตังปฏิฆาสมัมยุตตังอสังขาริกังเนี่ยจิตดวงนี้ย่อมเกิดขึ้น แกผู้ประกอบด้วยธมนัตในอารมณ์กี่อย่างเวลาเราจะโกรธเนี่ยโกรธสีได้ไหมแล้วโกรธได้ไหมสีเนี่ยโกรธเสียงได้ไหมกลิ่นโกรธได้ไหมรสนี่โกรธได้ไหมสัมผัสโกรธได้ไหมเรื่องราวที่เกิดขึ้นในใจโกรธได้ไหมสรุปแล้วก็คือมนุษย์เนี่ยจะโกรธหรือไม่พอใจอยู่กี่อย่างหกอย่างคือรูปเสียงกลิ่นรสผลิภัณฑ์แล้วก็ทำอารมณ์ใช่ไหม ถ้าจะงดเงียดก็งดงียอยู่หกอย่างแหละเกินหกอย่างนี้ได้มีไหมมีไม่มี <Okay. S 1> กฎบัญญัติไงบัญญัติอยู่นไหนธรรมารมโอเคไม่ได้กฎบัญญัติเออบัญญัติไม่ใช่สีเสียงกี่รสผลธต ภ, ภณัณนะแต่จะจัดอยู่ขค่ในธรรมาลมอา้าวลองกฎบัญญัติกดให้ดูที่กดยังไงอกฎบัญญัติกดยังไง ไม่ใช่บัญญตัติเวลาโกรธบัญญตัติถ้ายกตัวอย่างให้เห็นชัดๆจะโกรธยังไงเตอนขณะไหนเวลาไหนที่โกรธบัญญตัติอ่าถ้ามีใครบอกสมณะแหมว่าไอ้ตะกวดบอกโกรธไหมจริงๆเป็นบัญญัติไหมบัญญัติหรือว่าตะกวดบกเนี่ยไอ้ตะกวด บ, ก เ, ก, วดบกเป็นไงฮงเป็นยังไง ออตัวเงินตัวทองอนะ่ยนั่นแหละจริ ง, รงๆก็คือก็บัญญัติไงเราเป็นเนนอยู่ดีๆแล้วเข้ามาบอกเราเป็นตะกวดใช่ไหมไอ้ไอ้จิ้งหรีดเนี่ยเนี่ยไม่เห็นมีอะไรเลยว่าก็คือบัญญัติใช่ไหมแต่เราโกรธได้เห็นไหมเนี่ยไอย้เรื่องบัญญัติแท้ๆบางทีอะความไม่รู้ความไม่ฉลาดแต่ถ้าคนฉลาดในบัญญัติเนี่เขาว่ายัางไงจะโกรธไหมเนาะเรามันก็บัญญัตินะี่ใช่ไหม เสียงชมเสียงด่าทั้งหลายเหล่านี้เราจะไม่เราจะไม่โกรธเลยนะเพราะเราฉลาดในบัญญัติหมดแล้วไนงะเขามาบอกว่าไอ้เทวดาเอ้ยเราก็ไม่โกรธหมาเอ้ยแมวเอ้ยเราก็ไม่โกรธใช่ไหมจริงไหมจริ ง, รงเหมือนพระเจ้าเหมือนคนด่าพระเจ้าด่าสารพัดแหละลาบ้างอูดบ้างโคบ้างอะไรต่างใช่ไหมไม่ผุดไม่เกิดบ้างอะไรเงี้ยสารพัดด่าสรุปแล้วก็คืออารมณ์หกความไม่พอใจเกิดขึ้นสภาวะที่ไม่พอใจถ้าเป็นอสังขาริกเป็นสภาวะ ความไม่พอใจที่กล้าหรือที่มีกําลังหรือไม่มีกําลังเป็นอสังขาริกที่มีกําลังไหยมีกําลังแปลว่าอย่างไงเกิดขึ้นโดยไม่ต้องอาศัยการกระตุ้นชักชวนเป็นไปในคราวที่ทำอกุศลกรรมบทในขณะไหนในขณะที่ทํปานาติบาตอทินาทานกาเมสุมิฉาจามุสาวาตปิสุนาวาจาพระสวัจจารสำภะลาปะ ในขณะที่เกิดคาอักโศนกรรมบทด้วยความโกรธเนี่ยโดยไม่ต้องมีใครกระตุน้นเตือนเลยทําได้ทันทีเลยเป็นไหม <c oughs> เคยเป็นไหมประเภทเนี้ยแบบไม่ต้องมีใครมาชวนแล้วไม่ต้องนั่นเลยควกเป็นไปโดยออโตเมติกอัตโนมัติเลยมีกําลังมากเลยฟิรตขึ้นเลยเนี่ยโดยไม่ต้องมีใครกระตุน้นเตือนเคยเป็นหรือไม่เคยแบบนี้เป็นไหม <c oughs> คิดขึ้นมาแล้วโกรธได้ทันทีเลยโดยไม่ต้องมีอารมณ์มาปรากฏเฉพาะหน้าก็ได้สามารถหน่วงอารมณ์นั้นให้เกิดขึ้นได้เลยเป็นไหมเคยไหมเคยแรงขนาดนั้นไหม เคยไหมนี่เขาเรียกว่าปฏิฆะถ้าเป็นสสารกาลิกจะต้องเป็นยังไงในขณะทมอกุศลกรรมบดก็จะต้องมีอะไรโดยมีการกระตุ้นชักชวนอะไรเป็นตัวกระตุ้นชักชวนอะไรเป็นตัวกระตุ้นชักชวนทำให้เกิดความโกรธที่เป็นสสารกาลิกกระตุ้นตัวเองได้ไหมได้ไหม ก็ตุนต้นเองได้ไหมคนอื่นก็ตุ้นได้ไหมคนอื่นก็ตุ้นเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นอะไรสสังขาริกตนเองก็ตุ้นตัวเองเป็นสะสังขาริกไหมเขาเรียกอะไรอะสังขาริกโอเคนะพอจะเข้าใจนะเอาเหตุที่ทําให้โทสะจิตเกิดมีอะไรกี่อย่างดูที่เหตุที่ทําให้โทสะเกิดดูดูดบนนู้นนะเอาอ่านที่ไหนหนึ่ง แปลว่าอะไรเป็นยังไงอัธยาศายเป็นคนมากโกรธอธยาศายเป็นคนมากโกรธนี่คือยังไ ง, ง, ไงก็มีปกติรูปเสียงกลิ่นรสผลพระธรมรมรรมมากระทบปุ๊บก็ไม่พอใจแล้วแล้วข้อที่สอง แปลว่าเช่นยังไงถางว่าคิดไม่สุ ข, ขุมเช่นยังไงบอมข้อสามว่าไงแปลว่าอะไรเช่นยังไ ง, ไไงพวกข้อมูลน้อ ย, อยข้อมูลต่ำๆจะเป็นคนขี้โกนหมดแล้วคือไม่ได้ศึกษาแง่มุมหลายๆแง่ คือก็เลยไม่รู้เหตุปัจจัยอะไรต่างๆเยอะแยะคิดอะไรก็คิดเป็นในโทนเดียวมุมเดียวเช่นออยากจะให้แฮมเป็นแบบเนี้ยแต่พอบอกให้เฮ้ยทำอย่างนี้สิพอเขาไม่ทําตามแค่นี้ก็แล้วเพราะอะไรเพราะไม่รู้วิธีการในการที่จะทำให้เขาทํางานหรือว่าทําเหตุที่เราต้องต้องประสงค์เป็นต้นได้อข้อที่สี่อะไรว่างไงแปลว่าอะไร เช่นเอาอย่างเนี้ยอย่างเนี้ยอย่างที่เราเห็นไงถือว่าอารมณ์ที่ไม่ดีได้ไหมเราไม่พอใจได้ไหมสถานะสานภาพแบบเนี้ยมนันยิได้ไหม mm hmm. เห็นไหมคําว่าประสบอารมณ์ที่ไม่ดีบงเผล อ, อๆบางทีสภาพที่มันดูดีนี่แหละแต่เราไม่ชอบ อารมณ์มันก็เลยแยกเป็นสองส่วนไงสภาวะอิทธารมกับอนิธาสภาวะอนิธาอ อ, อนิธาเนีเรียกว่านไงปริกกปะปริกกปะอนิฐาลมไอเงี้ยถามว่าเนี่ยในบริเวณวัดทั้งหลายโดยส่วนใหญ่โบสถ์วิหารลานพระเจดีย์เบนโตเหล่านี้ถือว่าเป็นสภาวะอิทธาลมไหมแต่เป็นปริกกปะอนิฐาลมอิทธาลมให้กับคนได้ ก็คือเป็นอารมณ์ที่ไม่ดีกับคนบางกลุ่มบางจําพวกได้ใช่ไหมละ่ะคนที่ไม่ฉลายวต่างหลายเนี่ตึงนี้ก็ไปดูรายละเอียดอีกทีส่วนอาคาตว่าวัตอาคาตะวัตถุสมายโยโคก็ประสบอาคาตะวัตถุได้พูดไปแล้วเนาะเอาต่อไปโมหะเลยอันโมหะจิตเนาะผลของโทสะได้พูดไปแล้วเมื่อวานเนี้พูดได้ยังพูดได้ยังพูดแล้วเออยังไหมสมัยใดมนุษย์มีสันดานมากไปด้วยโทสะสมัยนั้นก็ก็จะเกิดอะไร สัตถันตรายะสัสนตรายก็คืออันตรายที่เกิดจากสัตว์ประวุธเนาะเป็นเหตุให้เกิดสงครามให้เกิดการฆ่าฟันกันโทสะถ้าเกิดในอนาคตในภพหน้าก็ไปเกิดเป็นสัตว์นรกนะนะสัตว์นรกเดี๋ยวโลภะทําให้เกิดอะไรนะวานเนี่ยโลภะเนี่เกิดเกิดอะไรไม่ใช่ในผลผลผ ล, ผลในปัจจุบันเนี่ยสําหรับผลของของของโลภะในปัจจุบันเป็นยังไง ทำไม่เกิดอะไรเฮ้ยไม่ต้องกลับไปดูที่กลับไปดูทําไมล่ะจําไม่ได้เลยโอ้อา่าเขาเรียกว่าข้าวยากหมากแพงไงทบพิษขันตรายะแสดงว่าพวกเราเวลาอ่านแล้วไม่ค่อยจับกันเลยเนะเาะเฮ้ยต้องจำนะต้องทําความเข้าใจแสดงว่าปริมาณการฟังของพวกเราไม่ค่อยแข็งแรงอะ่ะโลภะทําให้เกิดข้าวยากหมากแพงไงที่พูดไปแล้วเมื่อวานเนี่ยนะ จะพากันล้มหายตายล้มตายอ่ะมันดูจะพากันล้มตายเป็นผลที่เกิดขึ้นในปัจจุบันด้วยอานาจของโลภะถ้าหากว่าโลภะส่งผลในอนาคตเป็นอะไรโลภะกรรมที่ทํำจากโลภะส่งผลในอนาคตเป็นอะไรเป็นอะไรครูบอกเราไม่ไม่ไม่ไม่เวิร์กเลยยังไงเป็นเปรตกับอสุรกายใช่ไหมเอาดูโทสะ โทสะโทสะให้ผลยังไงในปัจจุบันทำให้เกิดสงครามไหมเนี่ยโทสะเนี่ยยังสังเกตไห้อาวุธยุธโทโธปรกรณ์ทั้งหลายตัวนี้การฆ่าฟันกันเนี่ยและนี่ผลในปัจจุบันนะสั่งสมโทสะมากๆมากๆจะเป็นเหตุเป็นปัจจัยทำให้ฆ่ากันรอบลาฆ่าฟันกันแต่ถ้าผลของโทสะที่เรโทรเสียนั่นจันดะจันดาชาติ ตายะโทสะที่สังนิรยังอุปัชชนติเนี่ยสัตว์ทั้งหลายย่อมไปเกิดเป็นสัตว์โรกส่วนมา ก, กด้วยอำนาจโทสะอันนี้เป็นทรมานไปถูกความเร้าร้อนเนี่ยเนี่ยเห็นไหมว่าโลภะมูลก็ดีโทสะมูลก็ดีเนี่ยไอ้กรรมเหล่าเนี้มันมันมันเนื่องกันอยู่ก็จริงแต่ว่ามันจะแยกประเภทกันว่าอะไรมีกําลังมากกําลังน้อยแล้วก็ยังแยกให้เห็นในวิธีการทําสการศึกษาในโลภะ ให้ผลในปัจจุบันยังไงโทรสาให้ผลในปัจจุบันยังไงโลภะให้ผลในอนาคตยังไงโทรสาให้ผลในอนาคตยังไงนี่แยกออกแล้วนะชัดนะพระเจ้าเจนไหมเราก็เวลาไปคุยกันเองหรือสนทนากับใครหรือบอกกับญาติโยมทั้งหลายก็บอกอ๋อถ้าโยมโลภมากมากแล้วจะเป็นยังไงจนไงโ ย, ยมปัจจุบันเนะี่ยแล้วอ่าถ้าคนโลภกันส่วนมากในประเทศไทยมากๆจะเป็นยังไงอ๋อก็เกิดเศรษฐกิจไม่ดีไงว่างั้น ถ้ายากมากแพงว่างั้นสินค้าเลยจะมีอุปโภคบริโภคทั้งหลายจะมีราคาสูงขึ้นที่อยอาศัยก็จะมีราคาสูงขึ้นเครื่องนุ่งห่มจะมีราคาสูงขึ้นยูกยาก็หายากขึ้นแก่นแค้นนะข้าวนะข้าวก็เกิดการแก่งแย่งกันอะไรการเกิดการแย่งชิงกันขึ้นมาเนี่ยมันมาอย่างเงี้ยนะข้าวนะข้ามีโรคระบาดเกิดไหมเกิดอีกโหเยอะแยะนี่มาจากอะไรกโลภะว่างั้นเนี่ยแล้วถ้าในโลภะกรรมที่ทําด้วยโลภะส่งผลในอนาคตแหละเปรตกับ อสุรากายางไวางวะงั้นเนี่ยเอาแล้วโทสะล่ะท้ายผลในปัจจุบันก็คือเกิดสงครามใช่ไหมในปัจจุบันเนี่ยดูเห็นชัดไหมในปัจจุบันนี้ระหว่างใครกับใครกําลังจะฮึ่มมึมมมกันอยู่เนี่ยก็บอก อ, อเมริกากับเกาหลีเหนือใช่ไหมอ่าอเมริกาเกาหลีเหนือก็ยุ่งเล่นกันอยู่ฮะเกาหลีเหนือก็เขาบอกเขาผลิตอาวุธเอเคมีได้แล้วอาวุธเกี่ยวในเรื่องของในระเบิดนิวเคลียร์ได้แล้วว่างั้นเถอะ อเมริกาก็บอกจะถล่มจะถล่มกันอยู่นะเดี๋ยวนี้คนที่ซวยก็ไกลคนที่อยู่ใกล้ๆทีเกาหลีใต้กับญี่ปุ่นตอนนี้ญี่ปุ่นก็เลยต้องสร้างเมืองใต้ดินเข้าไว้เลยเนะี่ยป้องกันอาวุธกลัวถ้าเกาหลีเหนือมันเกิดอเมริกานถล่มกลเกาหลีเหนือเกาหลีเหนือถล่มกับอเมริกาไม่ได้ก็ยิงญี่ปุ่นเล่นนี่วะนี่ซวยเลยเดี๋นี้ยอย่างเงี้มันก็จะเกิดอย่างเงี้นี่โทสะเนี่ยโทสะเป็นอย่างเงี้นทดลองอาวุธนิวเคลียร์กันลุ่มล่ำลุ่มล่ำไอเ น, นี้ยเขาเรียกว่าสงครามจากโทสะถ้าตายไปแล้วให้ผลยังไง สัตว์นโลกเอานี่โอเคนะโทสะต่อไปก็โมหะเนาะเออเดี๋ยวเดี๋ยววิธีแก้วิธีแก้วิธีแก้โทสะทําไงทําไงให้โทสะไม่เกิดในในในยาระโทสะทํายังไงดีวิธีแก้ทําไงบอมจะแก้โทสะยังไงนายทำไงโทสะแก้งไงเอา้าวเมตตานะ่ยเอา ตามตามท่าน้ายไปเจเริญเมตตาไปเมตตาต้องมีบัญญาด้วยเนาะเอาโมหะดูทีโมหะมีสองดวงเนาะเป็นจิตที่หลงในหนาให้หลงในรูปนามก็งั้อโมอหะมโนจิตเนี่ยว่าวดเวทนาแล้วได้เวทนาเท่าไหร่เกิดร่วมกับเวทนาเท่าไหร่คืออุเบกขาเวทนา อุเปขาสาขตังวิจิกิจชาสมยุตตังเนาะอ่าอุเบกขาสาขตังวิจิกิจชาสมยุตตัง เ, เดี๋ยวดูดลกักษณะเจตตกาเานิดนึนนงเมื่อกี้ดูลกักษณะเจตตกาที่อา่าลักษณะของเป็นธรรมชาติมโมหะเจตสิกเนี่ยนี่ก็เอาโมหะเจตสิกมาที่บายมโมหะจิตอญ า, านาลัคนโนแปลว่าอะไรอญ า, านาเนี่ยมีความไม่รู้ในอริยสัจสีเป็นลักษณะ <c oughs> เอาอย่างพวกเรามีไหมมีไหมความไม่รู้อริย ส, สัจสี่เป็นลักษณะเนี่ยนในขณะเ น, นี้โมหะเกิดหรือไม่เกิดเกิดไหมเอาเวลาเห็นบอมมองไปที่แฮมแฮมมองไปที่บอมพอมองปุ๊บหรือคิดถึงปุ๊บเนี่ยปัญญาวิ่งแล่นเข้าไปปุ๊บนี้ทุกเลยไหมเห็นไหม <c oughs> ไม่เห็นเลยเลย โอ้นึกว่าเห็นว่านี้ทุกเลยนะเห็นชาติทีทท่ทุกชร า, าทุกพยาธิทุกมาแล้ะทุกก็อย่างวันก่อนที่ว่าเล่าเรื่องคนที่นะครสวรรค์ที่เป็นพระไงที่ท่านท่านมาเล่าท่านระ ล, ลึกชาติได้ตอนในชาติที่แล้วเนี่ยท่านเป็นคนภัยสาลีเนี่ยผมก็ฟังอาจารย์ก็ตั้งใจฟังใหญ่ท่านขับท่านไปเที่ยวกันกันกบเพื่อนขับมอไซค์อะ่ะขากลับมีคนยิงท่านที่เราเนี้ยยิงที่เรานมเนี่ยโตมเข้าไปเลยกระเด็นตกรถเลยมอไซค์อะ่ะ เพื่อนหันมาดูบ๊บรีบขับรถหนีไปเลยไอ้นี่มันนอนทรมานอยู่ในดจไอ้เจ้านี้นอนเครื่องโกรธเพื่อนโกรธเพื่อนมากเลยแล้วก็รู้ด้วยคนที่ยิงเคยมีเป็นเรื่องมีเรื่องกันไงไอ้นั้นมันดักยิง น, น, นอนนอนนอนทุรนทุรายทุรนทุลายนอนทุรนทุลายอยู่นั่นแหละโอ้โหทุรนทุลายมากเลยแล้วก็เครืองโกรธโกรธโกรธแค้นเพื่อนมากแต่พอสักพักหนึ่งรู้โอ้ยเนี่ย นะเข้านะเข้าดิน้นดิ้นดิ้นอยู่นานเป็นชั่วโมงอะ่ะนะเข้านะเข้าความโกรธก็มันก็คลายก็นึกถึงใจโอ้เราต้องตายเลยก็เลยวุบนึกถึงสิ่งที่ดีๆพบุบจุติตายเลยแล้วใจมันน้อมอะ่ะมันน้อมที่จะมาเกิดเป็นมนุษย์อีกมันก็มาเกิดในหมู่บ้านนั่นแหละพอเกิดในหมู่บ้านนั้นไม่ในหมู่บ้านเดียวกันนี่แหละทีนี้เป็นเกิดเกิดอีกบ้านอีกหลังหนึ่งพอโตขึ้นมามันะลึกได้ เขาบอกเขาเรีลึกได้พอเริ่มเนี่ยกําลังจะหัดพอขวบกว่าพูดได้แล้วเขาเขาไปเลยเขาไปฮะพอเริ่มเดินเริ่มอะไรเขาให้แม่ปัจจุบันก็พาไปพอไปเจอแม่ในอดีตพ่อในอดีตเขาบอกเลยเนี่ยพ่อเขานี่แม่เขานี่อะไรเขาเขาบอกไปเสร็จหมดบอกได้ถูกต้องทุกอย่างเลยมีน้ำมีไร่ไไปชี้อะไรได้ถูกป้าลุงป้าน้าอาได้ถูกหมดเลยแล้วแล้วเขาบอกว่ากับเพื่อนเก่าเขาเนี่ยเขายังเครืองอยู่ในปัจจุบันเนี่ย นี่ยังเครืองอยู่เลยเนี่ยนี่นี่ที่พูดเห็นว่าเนี่ยความไม่รู้ความไม่รู้เวลาระลึกชาติได้เนี่ยนะระลึกคนหลังได้ก็ระลึกด้วยความเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นอาตาัตราเป็นตัวตนทั้งทั้งที่กระแสชีวิตมันเปลี่ยนมหมดนี่ยังมันเปลี่ยนหมดแล้วมันไม่ต่างอะไรกับตอนเด็กกับตอนตอนตอน น, อ น, นี้ตอนสมัยเราเป็นเด็กๆ เ, เล็กๆตอนไปนเรียนหนังสือปถมมัธยมอะ่ะสังเกต ด, ดูที่ไอคนคนนั้นนะ่ะมันตายหมดแล้วมันไม่มีเหลือแล้วจริงไหม ตอนเรียนมัธยมอยู่โรงเรียนอะไรนะโรงเรียนวัดอะไรไตรมิตรใช่ไหมตายยังไอ้เจ้าหนคนนั้นเน่ยตายแล้วแต่ความทรงจําที่เราระลึกเราระลึกกลับไปทีไรเนี่ยเราเห็นด้วยความเป็นรูปนามไหมเห็นด้วยความเป็นความเปลี่ยนแปลงด้วยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไหมนี่อาการไม่เห็นแบบนี้เขาเรียกว่าอะไรอญาฉระนคโนมีความไม่เห็นอริยสัจหนึ่งไม่เห็นทุกข์ แล้วได้เห็นจริงๆไหมว่าวิชาตันหาปาทานเนี่ยมันทํามันเป็นตัวผลิตเป็นตัวสร้างรูปขันเวทนาสัญญาสังขารมีนัยเห็นไหมเห็นแบบนี้ไหมไอเนี่ยเขาเรียกไม่เห็นอะไรไม่เห็นเหียนให้เกิดทุกข์แล้วเราเห็นไหมว่าถ้าหากกระแสชีวิตนิพพานจะได้กิเลสนิพพานจะได้เป็นนิโรธาสัจจะเป็นนิพพานเป็นทางรอดเป็นทางปลอดภัยที่ดีที่สุดเห็นไหมมีความเห็นมีความเข้าใจอย่างนี้อย่างลึกซึ้งไหม อย่างนี้เขาเรียกไม่เห็นในนิโรธสัจจะแล้วเห็นเห็นว่าโอ้โหสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปจะจนถึงสมาสมาธิหรือสีนสมาธิปัญญาที่เราประชุมได้ประกอบได้ถ้าเราสามารถประชุมศีนสมาธิปัญญาได้เมื่อไหร่เราจะมีเราจะเข้าสู่ทางดําเนินเข้าไปสู่พานิพานหรือความดับทุกข์ได้เราเห็นตัวนี้ไหมเห็นว่าสําคัญที่สุดไหมว่าประกอบมากประชุมมากเนี่ยเห็นไม่เห็นอย่างนี้เขาเรียกว่าอะไรอายานละคโนไม่เห็นอะไรไม่มีความรู้ ไม่มี่มีความไม่รู้ในะอริยศาสตร์เป็นลักษณะนั้นในขณะแต่ที่เราใช้กระบวนการความคิดทั้งหลายเนี่ยเรามีปัญญาก็ไปเห็นความจริงตรงนี้ไหมถ้าไม่เห็นเวลาใดเป็นเป็นอะไรเป็นโมหสะสรุปแล้วโมหะเนี่ยมันเป็นเนื้อเป็นตัวพวกเราไหมเป็นไหมเกิดขึ้นเป็นเนื้อเป็นตัวเลยใช่ไหมโมหะเนี่ยมันจะมาละลายไปมันจะหายไปด้วยอะไรด้วยอะไร ด้วยการสั่งสมสุดตาข้อมูลแล้วก็มาวิจัยแยกแยะให้ถี่ถ้วนให้ละเอียดให้ลึกซึ้งขึ้นมันถึงจะเห็นความจริงข้อนี้ทั้งนั้นไม่มีทางเลยนี่เป็นอย่างนี้โมหะมันเป็นอย่างนี้โอ้โมหะนี้เจ็บปวดมากนะถ้าเราเข้าใจคําว่าโมหะนี่มันจะเจ็บปวดมากๆเลยเนี่ยใช่ไหมเนี่ยมีความไม่รู้ในริยาสัตวีอันนี้ไม่รู้ในขั้นไหนในขั้นจริยธรรมหรือขั้นสัจธรรมฮ ะ, ะขั้นไหน บอมโมหานี่ไม่รู้ในขั้นจริยธรรมหรือในขั้นสัจธรรมขั้นไหนคำว่าโมหานี่ไม่รู้ในขั้นไหนไม่ขั้นจริยธรรมหรือในขั้นสัจธรรมทั้งสองขั้นเลยเช่นน่ะี่โมหานี่ทําให้เราได้อะไรกายะทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตถามว่าทุจริตสามควรได้ไหมไม่ควรได้แต่อะไรปิดทําให้เรา โมหะปิดทําให้เราได้ทุจริตกาย ส, ยสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตควรได้หรือไม่ควรได้แต่อะไรปิดทําให้เราไม่ได้โมหะเขาใหญ่ยังออโมหะมันทำให้เราหลงในบัญญัติให้หลงในสมมุติทําให้เราโง่ทำให้เร า, า, า, เราไม่ฉลาดมันน่ารังเกียจไหมเนี่ยอยากจะสำลอกออกไหมไม่แต่ไปอ้วกออกซะทีแทนนั้นไปให้มันเกิดทําไม <c oughs> ใช้อะไรมาสำลอกอเขาใช้ปัญญานี่แหละสำลอกใช่ไมต้องอ้วกออกสับพรเขาเรียกก็อ้วกมันหมาจากอะไรวิราข้าไงแปลว่าสำลอกไงถ่ายถอนออกแล้วอ้วกออกอ้วกทิ้งไปจะเก็บไว้ทำไมเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเรียนตัวนี้แล้ว <c oughs> เองจะรู้หนูจะรู้ว่าโอ้โหมันเกิดขึ้นกับเราเยอะมากเอาข้อที่สองแปลว่าอะไรอ่านดิบอมอ่านแปลว่าอะไรอ่าปิดยังไงเนี่ยตรงเนี้มีความปิดไว้ซึ่งสภาวะแห่งอารมณ์เป็นกียเนี่ยเวลาเขาเวลาเขาทําหน้าที่เนี่โมหะเนี่ยมันจะทําหน้าที่มองไปถึงนี้ปุ๊บไม่เห็นเห็นเป็นอะไร มันเห็นเป็นท่านไนไงเห็นเลยใช่ไหมปุ๊บมองไปเนี่ยโอ่ยแ ม, มองไปนี้โอโต๊ะเก้าอี้มันเห็นเนี่ยมันปิดเลยนะเนี่ยไม่เห็นความจริงของรูปเสียงกิดรถหรอกมันปิดหมดละเห็นเป็นแม่เป็นพ่ออู้มันบ้าบ้านะลองคิดดูนะ ม, น ม, นมันมันมันมึนจัดเลยนะแปลกไปเห็นดินน้ําไฟลมสวยอะ่ะงามอะ่ะโหจริงนะ แปลกมากทั้งๆ ท, งที่เห็นของไม่งามยกตัวอย่างเช่นเราไปมองที่ขา้าศพผู้หญิงเนี้ยแทย้จริงมันเป็นที่ไหลออกของของไอไอไ อ, ไอมันมีรูทวารอยู่เก้าเก้าเก้าเก้ารูอยู่ไหมทวารตาสองสองรูทวารจมูกนี่สองรูหูนี่สองรูปากอีกรูหนึ่งรูทวารหนักกับรูทวารเบามันเป็นที่ไหลออกของความไม่ของไม่สะอาดแต่เราไม่เห็นนะเราไม่เห็นว่าไม่สะอาดนะเคยเห็นไหมโอ้โหโคตร ไม่สะอาดเลยเห็นแต่ละทีอุสยดสยองเลยเงี้ยเวลาเห็นเห็นผู้หญิงมาเห็นใครมาแล้วก็อุสยดสยองไว้เก้ารูเนี่ยมันไหลเยิ้มอยู่ตลอดเวลาเนี่ยเคยมีความสุงใช่ไหมเห็นไหมเขาเรียกว่ามีความมีการปกปิดซึ่งสภาวะแห่งลมคือเราไม่เห็นสภาวะเช่นนะรูปารมเนี่ยสีต่างๆแล้วก็ไม่เห็นความจริงสัทธารมคือเสียงเนี่ย รูปเนี่ยธรรมชาติที่ต้องย่อยยับไปเพราะวิโรทัปจัยคือเย็นร้อนเป็นต้นเราก็ไม่เห็นเราไม่เห็นหรอกไม่เห็นความจริงของอารมณ์นั้นไม่เห็นความจริงของเวทนาขันสัญญาขันสังขารขั น, ขาาขนวิญญาณขันไม่เห็นความจริงของปฐวีอโปเตโชวาโยไม่เห็นความจริงเลยมันปิดหมดเลยเนี่ยนี่คือเราไม่เห็นความจริงมันปิดอ้าวสามว่าไงอ่านนี่อะไรเนี่ยอันอันทาแปลว่าอะไรอันท้าแปลว่าอะไร แปลว่าบอดมืดม น, นเลยนะมืดมีความมืดมนหน้าเกียดตรงเนี้ยมีความมืดบอดมืมดมนเป็นผลก็คือมีความพอดูปั๊บเอ๋อมีความเ อ, อ๋เป็นผลโอไม่รู้เรื่องเลยดูปั๊บก็เอ๋อไม่รู้เรื่องอะเคยเป็นไหมเนี่ยมันมันผลเกิดขึ้นอย่างนี้ตลอดเวลาเห็นอะไรก็เ อ, อ๋ในเรื่องนั้น งั้นเธอปัญญาอ่อนในเรื่องนั้นดันดีเห็นเปล่าก็ปัญญาอ่อนในเรื่องนั้นดันดีไม่มีปัญญาแก่กล้าเลยแล้วอะไรเป็นเหตุใกล้ทำให้ปัญญาอ่อนแบบนี้อะไรอะอะไรอ่านทีอนอนนเออมีการไม่พิจารณาโดยแยบคายเป็นเหตุใกล้เออไม่มีการมีกา ร, มกา ร, มการมไม่ได้พิจารณาลมนั้นนั้นด้วยดีเป็นเหตุใกล้เหมือนใช้สับดีด้วยเนี้ยก็คือ มีการคิดผิดใส่ใจผิดมนศิกการผิดเป็นเหตุใกล้เ อ, อ่ง่ายมากเลยถ้าต้องการอยากอยากจะให้อความหลงมันเกิดง่ายมากก็คือคิดผิดอย่าไปอย่าไปคิดให้ละเอียดวิธีการนะเขียนอะไรก็คิดห ย, ยาบหยาบคิดลวกๆง่ายมากถ้ายายโมหะเกิดง่ายมากใช่ไหม เอวลาเวลาอยากจะอากจะโง่ในเรื่องใดก็อย่าไปอย่าไปใส่ใจละเอียดอ่อนอย่าไปมองตามความเป็นจริงอย่าไปใส่ใจให้ถูกทางถูกวิธีอย่าไปกระตุ้นกุศลให้เกิดมองเออเออมองอะไรเงี้ยนะมองแบบไม่พิจารณาบอ ก, อ ะ, กอะไรก็ได้อะไรก็ได้ไปเรื่อยๆนะง่ายๆเป็นคนง่ายๆว่างั้นนะกินง่ายอยู่ง่ายว่างั้นเลยนะแล้วก็มักง่ายอ่ะเป็นคนมักง่ายอ่ะมักง่ายกับมักโง่ในเดียวกันเน่ยแล้วมันจะเป็นเลยอ่ะวิ่งแล้วทําง่ายไหมแบบเนี้ย มันเป็นอธัธยาศัยอยู่แล้ววิธีการทำนี่นะใส่ใจผู้หจริงจริงนะเราเราเราเป็นคนให้อาหารมันจริงนะเนี่ยให้อาหารจริงๆเลยโอ้โหเรียนเรียนเรื่องนี้แล้วทำให้รู้สึกสะือนใจตัวเองมากเลยแล้วก็แล้วแล้วรู้เลยนะเราจะทำให้วันหนึ่งวันหนึ่งเราจะทำให้ความโง่มันเกิดมากติดต่อก็ได้ซึ่งเราทำอยู่แล้วโดยไม่รู้ตัวนี่นะเช่น เห็นอะไรดูอะไรกับเพลินไปหลงกับเรื่องนั้นไปเรื่อยๆนะอยากนอนเล่นอยากทำอะไรเป็นเป็นคนที่มีอะไรนะอัตลักษณ์เฉพาะตัวสูงโอ้สุดยอดเลยอ้าใครมองพุทธลูกออะไรกับพุทธลูกอะไม่เห็นมีอะไรเลยใช่ไหมมองไปที่ต้นโพเข้าไปสวดมนต์ก็สวดกับเขาไปสวดไปกันนะสวดเห็นเขาทำทีทำท่าศรัทธาอไม่เห็นมีอะไรเลยว่างั้นนะ คือไม่ต้องคิดลึกซึ้งไม่ต้องคิดอะไรลึกซึ้งแล้วก็ไม่ต้องฉลาดในอารมณ์นั้นไม่ต้องใส่ใจไม่ต้องไม่ต้องคิดให้มันเกิดปัญญาไม่ต้องคิดว่าเอ๊ะทำไงปัญญามันจะเกิดทําไงสติจะเกิดทําไงสมาธิไม่ต้องไม่ต้องแค่มองเพลินๆนผ่านๆลวกๆเรียบร้อยได้ทันทีในโมหะกินทีนี้โมหะมีสองสองประเภทนี้โมหะประเภทวิจิกิจฉาเขาอุทจฉาเอาดูข้อแรกดูโมหะตัวแรกหนึ่ง อไอ้ตัวเนี้ยเขาบอกว่าจิตที่เกิดขึ้นพร้อมด้วยความเฉยๆประกอบด้วยความสงสัยเนาะประกอบด้วยความสงสัยเฉยด้วยสงสัยด้วยอันนี้ดูวิจิกิจฉาเขาแปลว่าอะไรวิจิกิจฉาแปลว่าอะไรวิจิกิจฉาก็าแปลว่าสงสัยหรือเครือบแคลงลังเล เห็นไหมไม่ใช่แค่สงสัยอย่างเดียวเขาลักลังเลด้วยนะลังเลด้วยไอ้ไอวิจิกิจชาแปลว่าลังเลเจตที่สัมบยศหรือประกาด้วยวิจิตริชาเนี่ยเมื่อเกิดขึ้นกับบุคคลใดแล้วก็จะเกิดความยุ่งยากเกิดความยุ่งยากเคยเป็นไหมยุ่งยากมากแล้วลําบากใจในการค้นคว้าในการวิจัยสภาวธรรมก็เกิดความกังขามันยุ่งยากมาก ไ ม, ไม่รู้จะทํำยังไงไม่รู้จะไปเจาะยังไงไม่รู้จะไปคิดยังไงจะให้เกิดความสว่างเกิดความเข้าใจมันยุ่งยากไปหมดเลยกลายเป็นก็เ <c> ป <oughs> ็นไหมนะเช่นเราจะให้คิดสภาวะธรรมของสติเป็นยังไงสมาธิยังไงมันยุ่งยากเลยหรือจะเข้าไปพิจารณาผมขนเล็บฟันยุ่งยากหมดเลยก็ <c oughs> เป็นงไหมเนี่ยวิจิกริชามันนี้มันเกิดความเครือบแคลงตัดสินใจในลมนั้นไม่ได้ <c oughs> เหมือนยังไงเหมือนเราเดินเข้าไปปุ๊บปุ๊บ๊บปไปเจอทางสองแพ่ง แล้วเป็นไงเออนั่นแหละมันไปไม่ถูกเลยไม่รู้จะไปยังไงเนี่ยเออเคยเป็นไหมอไรล้ลัล้ลังล้าลังเนี่ยเนี่ยวิจิตริชาจะเป็นลักษณะแบบนี้คือเกิดความสงสัยลังเลจะไปซ้ายไปขวาไอ้วความาแกรบแคลงสงสัยเหล่าเนี้ยท่านจัดไว้เป็นในนั้นกี่ประการกี่ประการแปดใช่ไหมความสงสัยมีแปดประการใช่ไหมใช่ไหมแปดประการมีอะไรบ้างหนึ่ง เรื่องอะไรอ้าวแต่นี้เขาเรียกกรณีที่สงสัยในพระพุทธเจ้าอันดับแรกเขาเรียกสงสัยในพระสลีรละคุณนั่นแหละ <c oughs> เคยสงสัยไหมพระพุทธเจ้ามีมหาพุตส ILA ขนาดสามสองประการนุปยัญชนะแปดสิทเนี่ยมีพระเนตรอย่างนี้มีพระชิวหาอย่างนี้มีพระกันอย่างนี้มีพระนาศิกอย่างนี้มีพระนาลาศอย่างนี้มีพระขนงอย่างนี้มีพระธันตะอย่างนี้มีลํำบสออย่างนี้ เป็นไปได้หรือมนุษย์อะไรจะเป็นอย่างนี้ <zero> ไม่เชื่อหรือว่าโอ้มันจะได้ไม่ได้งไงโดยเอาโดยเอาสรีลาของพวกเราและคนในปัจจุบันนี้เป็นข้อเปรียบเทียบเป็นไปไม่ได้เนี่ยกรณีเนี่ยสงสัยในพระสลีลาค ณ, าณมีจริงหรือไม่จริงเน่ยเมื่อกี้บอกว่าอรหังสัมมาเป็นตัวกรณี้เกี่ยวกับพระคุณนะมีสองสายสองส่วนนะถ้าแยกเลยนะ หนึ่งในสรีละคุณสองสองในอะไรในพระพุทธคุณเป็นไรเป็นไรฮะเมือ่อในพระพุทธคุณกับพระสรีระคุณหรือพระสรีละคุณกับพุทธคุณถามพวกเราที่เราสงสัยในพระทธเจ้าเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราเครือบแคลงสงสัยลังเลเนี่ยในพระ ในพัสรีลาคุณหรือในพุทธคุณถามเลยว่าเชื่อไหมพุทธเจ้ามีพัศรีลาแบบมีมหาบริษัรักษ์ขนาดสามสองประการนุพยัญชนะแปดสิบเชื่อไหมเล็กๆจริงๆเชื่อไหมยังสงสัยอยู่ไหมไม่สงสัยอยู่ไหมแล้วในพระสัพพัญญุตยานที่บอกว่าสามารถรู้ทั้งอดีตอนาคตปัจจุบันมีจริงหรือเปล่ามันเป็นไปได้หรือพยานอะไรรู้ขนาดนั้น เคยสงสั ย, ยไหมว่าพย า, ยานอะไรจะสามารถแทงตลอดโลกธาตุทั้งสิ้นเลยพยานวิริยทเจ้าสามารถกระทบรูปขันเวรนาสัญญาสังขารพญาณหมูสัตว์มีประมาณเท่าไหร่สัพพัญญุตยานก็มีประมาณเท่านั้นโลกธาตุมีประมาณเท่าไหร่สัพพัญญุตยานก็มีเท่านั้นเราลราเป็นไปได้ไหม เราคิดแล้วมันก็ติดติดติดติดไปหมดมีหรือคนที่มีพยานมียานปัญญาขนาดวิ่งโลดแล่นป๊๊บป๊อทะลุทะลวงหมดเนี่ยทั้งตลอดได้หมดเข้าใจอะไรได้อย่างจ่องแต่มันนาชการปุ๊บฟุบเนี่ยชั่วหายใจเข้าปุ๊บเนี่ยระ ล, ลึกได้เก้าสิบเอ็ดกลับเนี่ยจริงจริงหรือว่า ง, งั้นเนีเราหายใจตั้งร้อยครั้งยังคิดนีอ่อันนี้มันอะไรยังไปไม่ได้เลยเนี่ยเคยสงสัยไหมล่ะเชื่อไหมล่ะ โอ้โหโมหะโมหะเยอะจริงๆวา ม, มองออกไหมเนี่ยโมหามกินอย่างนี้นั้นถ้าถ้ามองอย่างนี้ก็คือเวลาสงสัยในพุทธเจ้าก็สองส่วนนะส่วนพระสรีละคุณอันนี้หยาบๆเลยเนะก็ส่วนครับพระพุทธคุณ สงสัยตัวนี้เป็นโมหะด้วยเคตที่สงสัยก็เพราะไม่รู้ถ้ารู้แล้วความสงสัยหายไหมเนี่ยเพราะความไม่รู้เนี่ยนะสงสัยไปไม่รู้ไม่รู้จะคิดยังไงคิดไม่ออกมันขาดข้อมูลด้วยนะสุตตาน้อยนะพวกนี้นะกลุ่มที่สุตตาน้อยข้อมูลน้อยเนี่ยการเรียนได้ไม่ดีศึกษาไม่เป็นไปตามลำดับเวลาเกิดเรื่องราวทั้งหลายเหลาก็คิดไม่ออก ใช่ไมคิดอะไรไม่เป็นแล้วคิดไม่เป็นไปตามลำดับคิดไม่สามารถที่จะลึกซึ้งได้ไม่มีอะไรมาเป็นข้อเปรียบเทียบมาเป็นตัววินิจฉัย ใ, ในการที่จะทำลายความไม่รู้ได้เงี้ยฉะนั้นความไม่รู้มันอันตรายตรงนี้แหละตรงที่ว่าพูดอะไรมาก็ติดขัดหมดเนี่ยเป็นยังงบอมบอมสงสัยอะไรไหมไม่สงสัยเลยเลยอธิบายหน่อยดิเนะสงสัยในที่บอกว่าสงสัยใน พระพุทธเจ้าเป็นผู้ไกลจากกิเลสอลาหังเนี่ยสงสัยยังไสงสงสัยว่าเป็นพระพุทธเเป็นพระอลาห์เนี่ยสงสยยัยสงสัยไงซึงจะเป็นวิจิกิจฉาอ่ะสงสัยยังไงซึงจะเป็นวิจิกิจฉาจริงหรือ จริงหรือไม่จริงว่ามนุษย์เนี่ยราคาโทสะโมหะเนี่ยมันหลุดออกจากได้มันละได้เด็ดขาดได้เออมันจริงเป็ น, เ ป, นเป็นพระอาหารหันต์มันเป็นยังไงนะสภาว่าของความเป็นอาหารหันต์ใช่ไหมสงสยัยเนี่ยไปสงสัยในในผลของความเป็นพระนันาาสงสัยความเป็นสัมมาสัมพุทธโธเนี่ย สงสัยความเป็นวิชาจารณะสัมบันโนสุขโตไปต้นะสงสัยหมดเลยนะในพุทธคุณทั้งหลายเลยเนี้ยนะครับถ้ า, ามัาจะมีจริงหรือไม่จริงหรือจะเป็นการที่หลอกกันขึ้นมาหรือเมคกันขึ้นมาเพราะว่ามีพระรหันจริงจริงว่างั้นเถอะ แต่โดยความจริงที่หลอกอย่างนี้ขึ้นมาจะได้เป็นหลักทําให้คนได้ยึดถึงความดีกันจะได้ทําให้มนุษย์เนี่ยมีมีกฎแกณฑกติกาจะได้อยู่ด้วยกันว่างั้นเถอะแต่จริงๆความเป็นพระลรหันมันจะไม่มีจริงได้ยังไงอะไรงนเงี้ยสงสัยอย่างเงี้ยเคยไหมเคยคิดถึงขราดนั้นไหมโอ้นี่ก็จะเป็นอันนี้เป็นโมหะอย่างหนึ่งนะเ น, นี่ยสงสัยมีจริงหรือไม่มีจริงองี้เป็นต้นโลนั้นทุกทุกบททั้งหลายเหล่านี้นะ โลกาวิทูอนุตโรปุริสธรรมมสารถิสัทธาเทวมนุษย์นังพุทโธภกวาเนี่ยความสงสัยในพุทธคุณต่างๆเหล่าเนี้ยพุทธคุณต่างๆทั้งนั้นจะมีจริงหรือไม่หรือจะเป็นคํากล่าวเพื่อมุ่งยกย่องสรรเสริญในฐานะที่เป็นผู้วิเศษเนี่ยเอาต่อไปก็คือธรรมเมกังคติสงสัยในพระธรรมสงสัยในพระธรรมคือสงสัยยังไงโลกุตรธรรมนะมรซีผลสี น, 4, นิพพานหนึ่งใช่ไหมพระตรพิดก มีจริงหรือสงสัยพระธรรมคุณพระเจ้าตรัสไว้ดีแล้วสวาคขาโตเป็นต้นเราเนี้ยคำว่าสงสัยพระธรรมเนี่ยนะก็คือสงสัยว่ามรซีผล4ีเนี่ยมันจะมีจริงหรือไม่มีจริงพันธิพานมีจริงหรือไม่เราเชื่อไหมมรซีโสดาปฏิมากเนี่ยเราเชื่อไหมสกาทาคามีมรเป็นต้นเนี่ยมร สว่าคาตธรรมเนี่ยเราเชื่อไหมเป็นธรรมที่ตรัสไว้ดีแล้วเนี่ยเป็นธรรมที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติจะประกากฏชัดได้ด้วยตัวเองเป็นตัวเนี่ยเป็นธรรมที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้เนี่ยเช่นว่ามรรคเป็นวิจจัยแก่ผลได้ทันทีเลยเนี่ยโดยไม่จํากัดการเลยมันไปนสงสัยในลักษณะว่าเนี่ยตั ว, ต, วตัวตัวมรรคประการจะมาสงสัยในพักสงสงสัยว่าพารยาบุคคลมีจริงหรือเปล่า ใครเคยสงสัยตรงนี้ไหมสงสัยความพระรหัสมีจริงหรือเปลสงสัยใช่ไหมเนี่ยสงสัยว่าผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจริงๆเหรอเนี่ยนี่เห็นไหมเนี่ยกรณีองการอย่างเงี้ยเขาเรียกสงสัยในพลังเลสงสัยในภาษาค่ะคุณแล้วก็สงสัยในศิกขาสามสงสัยว่าปฏิบัติตามศีลสมาธิปัญญาแล้วจะสามารถนําตนเองให้เข้าถึงความดับทุกข์ได้จริงหรือ นี่ไอ้นี่ไอศิกขาสามนี่แปลว่าสงสัยข้อปฏิบัติเลยนะอูอันตรายมากไม่ยอมทําในพวกเนี้เป็นนั่งจ้องจ้องอยู่รอบนอกโดดโดดวิจารอยู่รอบนอกแต่ตนเองไม่เคยไปฝึกเพื่อให้มีให้เกิดขึ้นกับตนเองจริงๆเนี่ยตรงเนี้หลักการนสสาในสงสัยในศิกขาแล้วก็เคลือบคอยแขงสงสัยในขันใช่ไหมปุเพปุพันเตกังคติเนี่ยสงสัยในขันอยนายตนะธาต ในอดีตที่ล่วงไปแล้วที่เกี่ยวกับขันที่ล่วงมาแล้วในอดีตของเราเคยมีเคยเป็นมาแล้วหรือไม่หน้อยคือตรงนี้ถ้าไปดูในคำพิวิศธศทกษมาร์กทั้งหลายเขาจะขยายว่าสงสัยในอดีตเราเราเคยเกิดมาเกิดมาแล้วเนาะเราเคยเป็นเราเคยเป็นอะไรมา เคยเป็นกษัตริย์มาเคยเป็นพลานมาเคยเป็นแพทย์มาเคยเป็นสูตรมาเป็นจันทานมาเป็นพ่อค้าเป็นทหารหรือไม่หนอถ้าคนที่เห็นไหมถามว่าอย่างที่ยกตัวอย่างเมื่อสักครู่ที่คนละเลิกชาติได้เนี่ยเขายังมีวิจีกิจามั้ยอ้าวเขาเอ้าวแล้วแต่แล้วแต่ได้ได้ได้ไดคือ คือถ้าบอกว่าเขาเมื่อชาติที่แล้วเนี่ยเขาเคยเกิดเป็นคนนี้ชื่อสิริอย่างเงี้ยเขาเคยเกิดเป็นชื่อสิรอแล้วคนคนนี้แปลว่าวิจิกิจชาเขาหมดหรือยังยังคืออะไรต่อเขายังสงสัยต่อไปแล้วหลังจากชาติโน่นมาที่ผ่านมาเขาเคยเป็นอะไรและจากเป็นอะไรแม้ในอนาคตก็เหมือนกันนะ ชาตินี้เป็นมนุษย์แล้วอนาคตจะเป็นอะไรและจะเป็นอะไรต่อี่จะเป็นคนรวยคนจนทั้งหลายนี้โอ้โหมันสงสัยไปหมดเลยเนี่ยเห็นไหมมันมันจากที่มีโมหะเนี่ยปิดบังปุ๊บมันก็ไม่เห็นความเป็นไปของกระแสของขันธาตุอายตนะที่มันเกิดขึ้นสืบดับติดต่อกันตลอดสายการที่เราไม่เห็นสภาวธรรมคือขันอายตนะธาตุทั้งหลายที่มันเกิดดับสืบต่อกันตลอดสายเหล่าเนี้นี่เป็นโมหะเป็นอย่างนี้มองเห็นนะนะ ทั้งอดีตท่านอนาคตและทั้งปัจจุบันด้วยทั้งปัจจุบันด้วยสงสัยขันอยนายะทานะธาตุชาติบุคคลที่ประกอบมาแล้วในชาติก่อนและชาติหน้าเนี่ยสงสัยและที่ข้อที่8ก็คือในปฏิจจสมบาทปฏิจจสมบัตนี่ก็คือกระแสของรูปนามขันฮ์เราเข้าใจคําว่าปฏิจจไหมเข้าใจคํานี้ไหมยอย่างเช่นเนี่ยในขณะที่เราเราคิดเนี่ย เวลาความคิดเกิดขึ้นนะความคิดเกิดดีหรือไม่ดีก็แล้วแต่ความคิดที่เกิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยตัวจิตที่เกิดขึ้นเป็นวิญญาณขันสวยอารมณ์เป็นเวทนาขันจําเป็นสัญญาขันปรุงแต่งเป็นสังขารขันใช่ไหมแล้วก็ความรู้ในทีนั้นก็เป็นวิญญาณขันแล้วรูปธรรมและนามธรรมก็เกิดขึ้นถามว่าทุกๆขนาดจิตที่มันเกิดขึ้นเกิดดับสืบต่ออันนี้เป็นปฏิจจสมุปบาทที่มันเกิดขึ้นติดต่อกันตลอดสายเลย มันไม่หยุดเลยเนี่ยปฏิจจามันเกิดขึ้นเนี่ยไม่ขาดสายเนี่ยเป็นปัจจายการตามในแห่งปฏิเจริญบาตรแล้วคนเกิดสงสัยว่ามันเป็นไปได้หรือเพราะเราไม่มีปัญญาไปเห็นความจริงในข้อนี้เห็นการเกิดดับสืบต่อเนี้ยแล้วก็เลยเกิดความสงสัยนี่ก็หลักสงสัยในปฏิจจสมบัติอิทัปปัจจยตานี่แหละเริ่มเห็ น, นยังยากไหมข้อนี้ยากไหมยาก ข้อนี้ยเข้าใจยากจริงๆแล้วพวกเราเนี่ยไม่เข้าใจนะเนี่ยที่พูดอย่างเงี้ยแต่ไม่เป็นไรฟังเนี่ยนกหนูไอตัวข้างข่าวฟังยังได้เป็นผ้าอาหารได้เลยข้างขาวห้าร้อยฟังในถ้ำฟังพระสวยพิธรมในร้ำพวกเราดีกว่าข้างข่าวหลายร้อยหลายร้อยอัดหลายร้อยหลายร้อยอย่างใช่ไหมล่ะฟังภาษาทยาพิธรมไง ไม่ใช่ค้างคาวน้าห้าร้อยพระมเได่นับว่าห้าร้อยหรือเท่าไหร่แต่ตัวค้างคราวน้าห้าร้อยต่อมาก็มาเกิดเป็นสัตธ์วิหาริกของภาษาลิบุตรนี่แหละเลยกลายเป็นพระที่มีอัจฉริยะใส่นะพระพิธามพรฟังตลอดพระกระสวดอภิธรรมให้ฟังตลอดฟังแบบไม่รู้เรื่องฟังแล้วหูเพาะมากเพาะมากชื่นใจมากชื่นใจมากเพียงแค่นี้ยปัญญาก็ไม่เกิดยังมีอัธยาศัยแตกฉานพิธามขนาดนั้นเลยนั้นพวกเราฟังเท่เนี้รู้บ้างไม่รู้บ้างเราต้องแตกฉานกว่าพระห้าร้อยสิ จริงไหมไอ้บอมจริงไหมจริงในตอนที่หนูตอนเออเน้นบอมไปเรียนที่ออชวเรียนแล้วเข้าที่บายแบบนี้ไหมอ๋ออ๋อนี่นี่เริ่มเริ่มเรียนใหม่นะอเอาเรียนอยูร่ระดีแล้วเวลาเรียนชั้นทุกวันนี้เข้าที่บายแบบนี้ไหม อ, อ๋อเอาต่อไปอุปเเขาสากระตัง อ่านหน่อที่อ่ะอ๋ออโยนิโสมนิกายเนี่ยเดี๋ยวดูตรงนี้ก่อนนะเออจิตที่เมื่อกี้เขาอธิบายบอกว่าในในพระบรีไม่ได้ขยายไว้ในวิสุทธิมังกก็ขยายไว้นิดหน่อยเนะเาะแต่ตรงนี้อุเปกขาสักตงังอุทะจ่าสมยุตตังเนี่ยจิตที่เกิดพร้อมด้วยความเฉยเยประกอบด้วยความฟุ้งซ่านถามว่าในชีวิตจริงของพวกเราเนี่ยเกิดบ่อยไหมอุทะจ่าเนี่ยฟุ้งซ่านเนี่ย คำว่าฟุ้งซ่านเนี่ยบอมคิดฟังให้ดีนะตรงนี้บอมจะได้จับมุมมันได้หน่อยคำว่าฟุ้งซ่านเนี่ยถ้าแปลว่าการคิดพลานจิตที่สามยุทธกับอุทธจารเนี่ยก็คือความคิดฟุ้งซ่านหรือเป็นอาการฟุ้งซ่านของจิตเนี่ยฟุ้งซ่านก็คือภาวะที่จิตนั้นไม่สงบความไม่สงบความวุ่นวายใจจิตที่มันมันพลานไปเนี่ยแปลว่ามันรับอารมณ์ไม่มั่นคง ถ้าจิตดวงนี้นะอุทธยานี่นะเกิดขึ้นแก่ใครคนนั้นก็จะเหม่อลอยและเสื่องซึมคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องนั่งกันอยู่เนี่ยนั่งกันเพื่อจะคุยกันในเรื่องนี้มันจะส่งใจไปที่อื่นปุ๊บมันจะเหม่อลอยฟังอะไรก็ไม่รู้เรื่องอันนั้นแปลว่าอะไรอุทจยากินแล้วเราเป็นบ่อยไหมในชีวิตของเราอะ่ะ ในขณะที่เรากำลังนั่งอยู่กับใครกำลังสนทนาอะไรเนี่ยเขากำลังคุยอะไรกันอยู่แต่ใจเราก็ไปเรื่องอื่นโคดหูทอ้อถอยเดี๋ยวก็ยไปศึกษาในคนละอย่างา ไ, ม ไ, มไม่ใช่ถ้าเม่อรอยเคยเป็นไหมล่ะ ค, คุยกันอยู่ดีๆเนี่ยอีกคนนึงกำลังพูดอะไรต่างเนี่ยแต่เราไม่รู้เรื่องเลยใจเราไปเหม่อเรื่องอื่นไปเรื่อยเงี้ยนี่เขาเรียกอุทจักจันแล้วเนี่ยตรงนี้ต้องแก้ ต้องฝึกนะระวังมันเกิดเป็นอัธยาศัยขึ้นมาจะกลายเป็นคนโมหะอุทะจรนะเขาจึงเรียกโมมูหจิตไงจิตที่หลงอย่างยิ่งจิตที่หลงอย่างเหลือเกินเนี่ยหลงจนฟังเรื่องราวใดๆแล้วไม่รู้เรื่องอ่ะเข้าใจไมฟังแล้วคนทุกวันนี้เป็นเยอะมากนะเคยเป็นไหมทั้งทั้งที่เขากําลังสนทนาเรื่องอะไรอยู่ควรจะใส่ใจมนาสิการถึงเรื่องนั้นเนี่ย กับเมื่อยลอยไปเนี่ยอาการที่เม่อลอยไปเนี่ ย, ย, าาออ ย, ยจิตไม่สงบวุ่นวายใจเนี่ยจิตมันพลุกพล่านเห็นไม่มัน่นคงมันซึมคุยไม่รู้เรื่องถ้าเกิดนานๆถ้าปล่อยให้จิตประเภทนี้เกิดนานๆอะไรจะทํามา ในขณะที่คุยแล้วเราก็ส่งใจเหม่อลอยเหมือลอยตลอดถ้าเราฝึ ก, กจิตแบบนี้มีอายนิโสมนัสการแบบนี้บ่อยๆคิดอย่างนี้บ่อยๆแล้วเราจะเป็นอะไรจะตามมาในปัจจุบันนยายไม่ใช่มันจะเป็นขนาดไหนอ่ะไอหลงเพลิดเพลินแน่นอนแล้วแต่าถามว่าเมื่อเราเกิดเป็นคนเหมือลอยอย่างนี้บ่อยๆซึมซึมแบบนี้บ่อยๆเนี่ย เนี่ยแล้วเป็นคนที่ไม่คนที่ไม่รู้เรื่องเนี่ยเขาคุยอะไรกันก็ไม่ได้ใส่ใจในปัจจุบันที่กำลังคุยกำลังสนใจหรือกำลังฟังในเรื่องนั้นปล่อยจิตเมื่อร้อยบ่อยๆบ่อ ย, อ ย, อยแล้วจะกลายเป็นคนนะแบบประเภทไหนก็จะเมคไงยมสุวรรณไงจะเป็นอย่างนั้นแหละเห็นหรือยังอุท ธ, ธิจะมันจะให้ผลแบบนี้เราเราจะฝึกก็ได้ และเราจะเป็นเลยนะจะเป็นเหมือนยมสุวรรณเหมือนเจ้าเมฆทันทีเลยแค่ฝึกประมาณสามเดือนไหนเป็นทันทีเลยอยากเป็นไหมเราก็เป็นคนเหมือร้อยบ่อยๆไม่ต้องอยู่กับปัจจุบันไม่ต้องอยู่กับเหตุการณ์ที่กำลังพูดกําลังคุยไม่ต้องอยู่เวลาก็คุยอะไรต่างๆก็ส่งใจเหมือรอยไปเรื่องอื่นฝึกบ่อยๆฝึกบ่อยๆอย่าไปใส่ใจเรื่องที่กําลางังพูดมันจะเป็นทันทีนะ โอ้น่ากลัวอย่างเขา้าใจยังบ้านั่นเองจะเป็นคนบ้ามันกินบ้าดังนั้นจิตสองดวงเนี่ยหนึ่งเครียบแข็แงสงสัยสองฟุ้งซ่านเพราะอะไรมันถึงสงสัยเพราะอะไรจึงฟุ้งซ่านเพราะเป็นจิตที่มืดบอดมันลุ่มหลงทีนี้มันลุ่มลุ่มหลงอย่างยิ่งเขาหลงอย่างยิ่งหลงอย่างเหลือเกินนะ่ะ เขาจึงเรียกโมโ ม, โมโจิตไงประกอบด้วยวิจิกชาวรศจาเป็นสภาพที่หวันไหวฟุ้งซ่านไม่หยุดนิ่งในลมนะเวทนาที่เกิดกับจิตสองดวงนี้มันจึงเป็นอุเบกขาเวทนามันไม่มีความดื่มด่ำในลมอ่ะที่ถือเอานักสังเกต ด, ดูั้มมันเบามาเลื่อนลอย ไม่เหมือนกับโสมนาสเวทนาโทรมนาสเวทนาหรือใช่ไหมถ้าโสมนาสเวทนากับโทรมนาสเวทนาเนี่ยมันจะมันดื่มด่าในรมทันทีใช่ไหมถ้าอุเบกขาเวทนามันจะเลื่อนลอยมันจะเลื่อนลอยในอารมณ์นั้นเลยมันไม่ดื่มด่ําในรมนี้แม้จะเกิดเป็นอิถารมยกตัวอย่างเช่นอารมณ์นั้นหน้าปรารถนาแต่เวลาโมหะสองดวงนี้เกิดขึ้นมาปุ๊บมันจะเป็นยังไงดื่มด่ําในรมไหม มันจะไม่ดื่มดำมันจะอารมณ์ที่น่าปรารถนาหรืออ น, นิธารมอารมณ์ที่ไม่น่าปรารถนาเวทนามันก็เป็นไปอย่างกลางๆงให้เวทนาที่เป็นไปอย่างกลางๆเนี่ยเป็นธรรมชาติที่สอนแล้วเขาดูเบกขาอย่างเดียวก็คือปราศจากความยินดียินได้ในลมทั้งพวงฉะนั้นจิตสองดวงเนี้ยมันเป็นไปพร้อมกับความเฉยเฉยทีนี้ในสองดวงเนี้ยจริงๆแล้วโดยหลักการเขาไม่ได้จำแนกว่าเป็นอาสังขารเล็กหรือสังขารเล็กใช่ไหม ท่านไม่ได้จำแนกเป็นสังขารที่เกี่ยวเพราะว่าเป็นจิตที่มีความลุ่มหลงยิ่งเข้าใจยังเขาเลยไม่จำแนกไว้เนื่องจากเป็นจิตที่มีมูลเดียวด้วยมีอะไรเป็นมูลเออมีโมหะเป็นมูลอีกทั้งมีแต่ความเครือบแขงสงสัยและความฟาุ้งซ่านเขาจึงไม่ได้จัดไว้ยึงเป็นธรรมชาติที่มีสภาพเออ<ม>เขาบอกว่าถามว่าจะมีสภาพที่กล้าแข็งนับเป็นอสังขาลิกได้ไหมไม่ได้ แล้วก็เป็นธรรมชาติที่กระตุ้นเตือนชักจําเตือนได้ไหมเป็นศาสังขาลิกได้ไหมก็ไม่ได้อีกเพราะฉะนั้นแหละสองดวงเนี้ยท่านจึงจําแนกไว้โดยความแต่ว่าเวลาสงเคราะห์ต้องใช้คําว่าสงเคราะห์นะที่เมื่อกี้ที่อ่านมาเนี่ยสงเคราะห์เป็นนั่นแหละสงเคราะห์เป็นอาสังขาลิกเป็นจิตที่หลงก็คือลุ่มหลงอย่างยิ่งด้วยโมหะเป็นจิตที่ปราศจากมูล แต่สงเคราะห์เป็นอสังขาริกเจริงๆโดยหลักแล้วเ้าแค่สงเคราะห์โดยหลักจริงๆแล้วเป็นได้ไหมไม่ได้จริงๆลราจัดไม่ได้มันมันมันเพลินเลิศเกินมันเพลินเพลินลมหลงลงหลงเขาจะให้อย่างแต่เนี้ยแต่ตรงเนี้ยในที่เนี้ยเขาจัดไว้แ่ว่าเาไปตอบเวลาไปสอบต้องใช้คําว่าสงเคราะห์เป็น สังขารอะไรต่างที่เขแปลแนี่แหละอย่างที่เขาอธิบายนี่แหละบอกว่าเวลาจะหลงไม่ต้องชวนว่า ง, งั้นเถอะอธิบายอย่างนั้นแต่จริงๆจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นสภาพรุ่มหลงตัวมันเองอยู่แล้วนั้นถ้าละถ้ามองถึงความอันตรายของจิตสองดวงเนี่ยมันไม่ได้ประกอบด้วยทิฐิคือความเห็นผิดไม่ประกอบด้วยปฏิฆาคือความโกรธเออหมอหาจิตมีความไม่รู้อารมณ์ตามความเป็นจริงเป็นพื้นฐานอยู่แล้วนั้นเวลา เกิดอารมณ์ที่ดีเกิดขึ้นปุ๊บเขาก็จะไม่ดื่มด่ำในอารมณ์นั้นใช่ชอบหรือไม่ชอบอารมณ์ไม่ดีเกิดขึ้นมาปุ๊บเขาก็ดูเหมือนเฉยๆกับอารมณ์นั้นเขาไม่ได้ตื่นเต้นอะไรกับอารมณ์นั้นเพราะอะไรเขาไม่ได้ให้ความสนใจเลยสนใจแบบเลื่อนลอยเขาจึงเป็นคนที่ฟังอะไรก็ไม่ค่อยรู้เรื่อง <laughs> หลงอย่างยิ่งใช่ไหม มักอโยนิโสนี่เป็นอันตรายมากในจิตประเภทนี้สังลังเลสงสัยสงสัยก็พอสงสัยก็ทิ้งทิ้งทิ้งทิ้งไม่ไปเจาะเพื่อให้หายสงสัยมันไปไม่ถึงมันไปไม่ถึงไม่รู้จะไปทางไหนพอฟุ้งซ่านแผลบแผลบแผบไปเรื่อยก็ไม่ฟุ้งซ่านอะไรก็ไม่รู้มันผ่านมาผ่านไปผ่านมาผ่านไปคิดคิดคิคิ ด, ค ด, ค ด, คดไปเรื่อยแล้วหนะักเข้าหนะักเข้าก็เลยอยู่ในโลกของ ความฟุง้งซ่านอยู่ในโลกของความสงสัยสังเกตดูทีว่าหนักเข้าหนักเข้าจะสื่อสารกันยากขึ้นคนที่มีโมหะสองตัวนี่มีกําลังจะกลายเป็นคนสื่อสารยากขึ้นวิธีการทำยังไงถ้าเจอคนมีโมหะมากๆในแบบนี้ทำยังไงวิธีจะแก้ ส, สยยก็ ฝึกให้เขามาอยู่ในโลกปัจจุบันนี้ให้คุยเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้สนทนาให้ทำอะไรที่เป็นปัจจุบันที่เป็นเหียคุยกันให้เขากลับมาจากความฟุง้งให้หลุดออกความฟุ้งซ่านได้หลุดจากความลังเลสงสัยได้มาเริ่มคิดเหตุการณ์ที่กำลังทำในกิจกรรมใดๆสอนกิจกรรมยากไหม ย, ยากอ้าถ้าไปเจอผ้าเนียนประเภทนี้มากๆต้องให้ทาไง เออทําข้อหัดแล้วก็ให้ไปขุดดินไปะอะไรเงี้ยนะถ้าเป็นเน้นเนี่ยนะให้พวกเน้นเออเนี่ยอาจารย์อยากจะได้กุติสักหลังเนนทํานะโอ้ยตั้งใจทํานะโอ้มันจะตั้งใจทําใหญ่ทําลายโมหะโมหะมเยอะทําลายทําลายนัเข้านักเข้าโอ้จดจอ่อทําแล้วทําอีกพอทําเสร็จพบอ๋อนี่เหมาะแก่นเนนนะไม่ใช่เหมาะแก่อาจารย์นะเน้นนั่งกรรมาฐานอะไรมันจะเริ่มได้เล้แต่เนี้ยเออต้องให้ทําจนทําลายโมหะเขาครับ วิธีไหนให้ทอ่องหนังสือให้อะไรเนี่ยเป็นเห็นการทําลายโมหะหมดแล้วเน้นทองกิง่ได้ยางยางเออทองเลยเน้นท่องอ่ยเพราะงั้นเดี๋ยวมันปลอ่อยจิตเลื่อนลอยใช่ไหมซ้อมมนาสสาข่าตังทิตีข่าตาสมัมปยุตังอาสังขาริการจิดมันอยู่ปัจจุบันเนี่อยู่มันก็คิดคิ ด, ค ด, คดถ้าปล่อยไม่ให้ท่องเพรามันจะเลื่อนลอยไปเรื่อยนะให้สาธยายบ้างให้ตรึกบ้างให้เขียนเอาเขียนเน้นเขียนเขียนไปก็เลยวิธีอะไรทําลายโมหะพกเรากําลังสูก อยู่ในหมดแห่งการถูกสอนให้ทำลายโมหะอยู่ไห ม, มแต่เพ่อเผือททีเราก็เป็นโมหะต่อทันทีต้องรออยากไหมล่ะมนุษย์ตแต่ละคนกว่าจะออกจบกมันได้นี่ยากมากแต่ต้องเตรียมที่จะออกอ้าต่อไปดูเหตุนะเหตุของลายลายไปตามดับอันนี้รู้แล้วเหตุสองอย่างมีอะไรบ้างนะเหตุสองอย่างมีอะไรบ้างนะ อายนนี้สมฆ์มาเสิกานกับอาสวะสมุปปาทะมีอาสวะเป็นเหตุเกิดเอ๊ะอาสวะคืออะไรอ่ะอาสวะมีอะไรบ้างฮะ จริงๆแล้วอาสวะ <iku> เป<คย> <ans> ็นเหตุใ so ห้เ hey, กิดอวิชชาเขาจึงบอกมีอวิชามีอาสวะเป็นเหตุใกล้การมาสวะเนี่ยอาสวะคือการก็เป็นเหตุให้เกิดความให้เกิดความหลงภาวะสวะอาสวะคือพบก็เป็นเหตุให้เกิดความหลงใช่ไหมทิฏฐาสวะอาสวะคือทิฏฐีคือความเห็นผิดก็เป็นปัจจัยให้เกิดความหลงเขาจึงว่าเป็นธรรมชาติที่เอ่อเป็นเหตุให้เกิดโมหะเกิดความไม่รู้เอารณ์ที่เกิดจากโมหะ โมหะจิตเนี่ยโมหะโมดุจิตเนี่ยเป็นจิตที่สร้างอะไรเคธถึงความงมงายความหลงเนี่ยนะบุคคลที่ถูกไอ้โมหะสองตัวครอบงําเพลิดเพลินไปตามความไม่รู้ไม่ไม่รู้เท่าทันเนี่ยอํานาจโมหะเนี่ยถ้าในสมัยมนุษย์ใดมีสันดานที่มากไปได้วยโมหะทั้งอุทะจาร์ทางวิจิกิจฉาในสมัยนั้นก็เกิดโรคันตรายก็คืออันตรายที่เกิดจากโรคภัยแค่เจ็บเบียดเบียนเป็นเหตุให้เกิดโรคอะไรโรคอะไรระบาด โรคอะไรอ่ะสรรพโรคปรากฏฆ่าชีวิตชนทั้งหลายให้สิน้นเออจริงๆแล้วโมโมหะเนี่ยถ้าพูดไปแล้วเป็นพวกตะกูลลมนะตระกูลลมเป็นโครคภัยไข้เจ็บโมหะเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเกิดให้เกิดโรคคันตรายโรคต่างๆทั้งหลายเหล่านี้ยคือสรุปก็คือว่าโลคภัทําให้เกิดอะไรนะะ เกิดโรคภัยแค่เจ็บนนะแล่นแค้นใช่ไม้มโทษสัทว์ทาให้เกิดนี่ไหมสรุปแล้วก็คือทามโมหะเนี่ยก็ทำให้เกิดโลคทั้งหมดทั้งหมด <c oughs> คือทั้งหมดนั่นแหละที่เล่ามาทั้งหมดถูกโมหะนี่แหละคุมไว้สัตว์ทั้งหลายเกิดไปไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉ า, าเนเรื่องแราเขงโมหะ สรุปและปัจจุบันนี้ทําให้เกิดโรคภัยเพราะคนที่ปัญญาไม่มีเนี่ยโรคทุกโรคมาหมดเลยนะครับ อ, อย่างใช้ชีวิตไม่เป็นเงี้ยโมหะกินเงี้ยไม่รู้เอาอะไรใส่เข้าไปในร่างกายโอ้โหสรารพัดโรคเลยครับเนี่ยมันถึงกับโรคคันตรายโรคภัยแค่เจ็บเกิดได้หมดเลยใช่ไหมมันไม่รู้ไงเอาเอย่างนี้ให้คนคนให้คนบ้าเขาใช้ชีวิต เนี่ยคนที่มีโมหะแรงๆจัดเนี่ยเวลาเขาใช้ชีวิตเป็นเงินอยม่รู้เรื่องหรอให้กินอะไรก็กินให้นอนแบบไหนก็นอนอากาศแบบไหนก็อยู่อา้าวแสดงสัมปยุตในอักษรจิตเนาะมีเท่าไหร่มีสี่เนาะพานุรุทธาจารย์ท่านแสดงไว้ทิฏฐิขตสัมปยุตปฏิฆาสัมปยุตวิจิกิชาสัมปยุตแล้วก็อุธทจยาสัมปยุต <c oughs> มีความเห็นผิดในประกอบด้วยโลภะโมลิจิตแปด ปฏิฆาสมยัยยศกัในโทรศาส์ 2. วิจิกิชาสมยยศก็คือโมหะมูลนแล้วก็อุทะจาสมยัยยศก็คือความวุมงซางกับโมหะดวงที่สองทีนี้ให้สังเกตดูนะในโมหะดวงที่สองเนี่ยบางตำราท่านกล่าวไว้ถึงว่าไม่ไม่สามารถส่งผลในปฏิสนธิการได้ก็่างั้นเขว่างเพราะว่าพระอนาคา พระโสดาบันก็ยังละอุทธัจะไม่ได้พระอนาพระสกัทาก็ละไม่ได้นาคาก็ยังละไม่ได้พระอรหาานันต์ท่านเลยถึงจะละได้แต่ว่าอุทธัจะมีอยู่ในใจของบุคคลนี้ไม่สามารถนําไปเกิดในใบพุ่มได้เลยก็นั่นเป็นมติหนึ่งนะแต่จริงๆเขาบอกว่าอีกมติหนึ่งบอกว่าถ้าโมหะมูเลถ้าโมหะมูเลอุทธัจะเกิดในสันดานของปุถุชนสามารถที่จะนําสู่อบายทุกติวิบัติในโกได้ถ้าเกิดในสันดานของพระริยาต่างหาที่ไม่นำไปสู่อบายทุกติวิบัติโรกนั่นอีกมตินนึงนะ เสดก็คือสัมพยุติเขาแปลว่าประกอบกับจิตเป็นวิเศสนบทมีหน้าที่แสดงให้รู้ถึงความแตกต่างกันของจิตเช่นทิฏฐิกษัตริสมัยุทธ์ก็แปลว่าจิตที่ประกอบด้วยความหมินผิดแสดงเห็นว่าทิฏฐิคือความหมินผิดเนี่ยเป็นธรรมะ ท, ที่ประกอบกับจิตแต่ไม่ได้ประกอบกับจิตทุกดวงนะไม่เหมือนภาษาเวทนาสัญญาเจตนานะประกอบแต่ในอกุศลเนาะที่เตียนที่เป็นโลภะในโลภะแปดวงก็ประกอบได้แค่สี่ดวงเท่านั้นน่ย ไม่ได้ประกอบในโลภะทั้งหมดเพราะฉะนั้นปฏิฆาสมัยยศวิจิตรสาสมยุศยอุทจจะเป็นวิเศษณบทก็คือที่แสดงให้เห็นความแตกต่างกันของจิตโดยทําลองเดียวกันเป็นการแสดงสภาวะธรรมที่ประกอบกับจิตโดยเฉพาะอย่างเด่นชัดทําให้เห็นความแตกต่างกันนะอันนี้ก็ส่งข้ออย่างนั้นเออตรงนี้ก็เดี๋ยวดูคำภี์ตรงนี้นิดนึงว่าโมหะเออไม่ใช่สัตว์ไปเกิดเป็นเปรตและสุรกายด้วยอํานาจของ โลพาใช่ไหมสัตว์ไปเกิดเป็นสัตว์นรกด้วยอํานาจของโทสะใช่ไหมสัตว์ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานด้วยอํานาจของโมหะเป็นส่วนใหญ่เนี่ยนะก็อธิบายบอกว่าโลพามระจิต8โทสามุระจิตสองโมหามุรจิตสองรวมเป็นอกุศลจิลุบาท12ดวงเนี่ยในอกุศลเนี่ยอกุศนก็แปลว่าอะไรอคุสระเนี่ยก็แปลว่าความชั่วความไม่ดีเป็นบาปตรงกันข้ามกับอคุสนที่แปลว่าความดีความฉลาด เอทีนี้คําว่ากรรมคําว่ากรรมนี่เขาจะส่งข้อแล้วนะส่งข้ออกักขศนครมาบทลงในอกุศละจิตสิบสองเนี่ยนะคาว่าประกรรมแปลว่าการกระทํอาอกุศลกรรมก็คือการกระทําที่ไม่ดีเป็นการกระทําชั่วความชั่วที่กระทําไม่ย่อมสําเร็จด้วยอํานาจของอกุศเนี่ย เ, เดี๋ยวผมแกกันระหว่างดีกับไอ้คาว่าดีเนี่ยดีกับไม่ดีเนี่ยคําว่าดีเนี่ยแปลว่าเป็นกุศลได้ไหม เป็นหรืไม่ได้คำว่าดีนี่คือกุศลเนี่ยอันเดียวกันไหมเป็นไปได้ไม่เป็นไได้คำว่าดีเนี่ยนะคำว่าดีนี่เป็นกุศลหรืออกุศลอันนี้ดีไหมดีครับเป็นกุศลหรืออกุศลมันมันเป็นไม่ได้เป็นกุศลได้ที่ไหนแล้วเนี่ยมันเป็นรูปประธรรมดีไหมดีครับดีที่ไหนในขาดนี่เห็นไหมเนี่ย กรณีบางทีไอ้คำว่าดีหรือไม่ดีมันมีเยอะมากโอ้เนนบอมดีนะว่างั้นเนนแทมดีเนะนี้อยอ่างเงี้ยใช่ไหมล่ะเออเนนบอมนั่งดีจังว่างั้นเก้าอี้นี่ดีจังว่างั้นไม่ใช่เรื่องกุศลนะอกุศลนะพวกเนี้ยบางทีไปแยกกันต้องระวังนิดนึงทีนี้คำว่าอากุศลกรรมาบทเนาะนี่ดูที่อ่านดูที่อกุศลกรรมาบทแปลว่าอะไร บทบทตัวนั้นแปลว่าอะไรบทปัตถาแปลว่าทางแปลว่าทางอาถ้าอากุศลกรรมบทก็แปลว่าอะไรอากุศลกรรมบทก็แปลว่าหนทางไปสู่อบายทุกติใช่ไหมเป็นอักุศลกรรมบทมีกี่อย่างหนึง่ง ปธิบาตการทำชีวิตสัตว์ให้ตกการฆ่านะอธินาทานกาเมสุมิชฌาจารย์แล้วก็ล่วงละเมิดในในหญิงเท่าไหร่ยี่สิบจำพวกนี่นะเอ๊ได้เรียนนี่ยังหญิงยี่สิบจนพวกเรียนนี่ยังเน้นเรียนแล้วมีอะไรบ้างอ่ะ <c oughs> มูสาวาท กล่าวเทศปิศสนาวาจากล่าวให้แตกพรุสวาจาคำหยาบสำปะพ ร, ะราปะพูดเพ่อเจอ้ออภิชาเพ่งเล็งเฉพาะอยากได้พยาบาทความโกรธมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดเนี่ยตรงเนี้ยนะเ อ, อปานาติบาตอธินาทานการมัมยสุ ม, มิจฉาจานี่เป็นกายกรรมเป็นไปทางกายทวารเป็นส่วนมาก มุสาวาตปิสุนาวาจาพุทธสาวาจาและสัมผัสพลาปานี่เป็นวจีกรรมนะเป็นไปทางวจีกรรมเป็นส่วนมากอภิชาพยาบาทมิจฉ า, าทิฏฐินี่เป็นมโนกรรมเป็นไปทางใจสรุปก็คืออกุศลกรรมบดนะโลภะแปดย่อมให้สําเร็จอกุศลกรรมบดได้กี่อย่างโดยที่โดยที่เจ็ดอย่างคือทางไหนบ้างกายตทวา มีอะไรบ้างอาธินนาทานกับกามีนะอธินาปานอาธิบาตไม่ได้นะไม่ได้าปานอาธิบาตนี่เป็นโทสะเป็นตัวผักดันก่อนแล้วมาโลภทีหลังแนละ้วว่าไปหรือนะแต่แต่ตัวที่จะฆ่าจริงๆมันตัวโทสะเนาะจริงต้องตัดไอ้โทสะออกไปทางวาจีกรรมได้กี่อย่างมุสาวาตปิสุนาวาจาพระศวาจาถ้าพูดหยาบต้องมีตัวโทสะผักดันเฮ้ยยังไม่ยังไม่ยังไ ม, ยงไ ม, ยงไม่ยังไม่เลยไอ้ แล้วก็อภิชากมิชาทิฐิทางมนโนกรรมสรุปแล้วก็โลภะพ8ดเนี่ยย่อมให้สำเร็จกรรมรมาบวชเจ็ดให้จำไว้นะทางกายกรรมสองวจีกรรมสแล้วก็มนโนกรรมสองเนาะเป็นพยาบาทออกไปเอาโทษสาจิตให้กรรมาบทเท่าไหร่เจ็ดเหมือนกันนะสังเกต ด, ดูนะนี่ต่อไปต้องต้อ ง, องจำได้ทำความเข้าใจในตรงนี้นะกายกรรมปธิบาตอธินาทานได้วจีกรรมได้สี่เลยไมย มสาวาตปิสุณาวาจาพรุรษวาจาสัมปะปราราปนะโทรศัพทได้ไหมส่วนมโนกรรมได้พยาบาทอย่างเดียวสรุปก็เจ็ดกายกรรมเท่าไรสองวจีกรรมสี่เป็นหกแล้วก็มโนกรรมหนึ่งเป็นเจ็ดโมหะได้เท่าไหร่โมหะได้ครบเลยโคตรเลยโมหะเนี่ยเนะีได้ครบเลยกายกรรมสามวาจีกรรมสี่มโนกรรมสามเลยนะโมหะสรุปก็คือนี่ จ, จบแล้วอกุศลกรรมบท สิบมีใครถามอะไรไหมอ้าออการูสวิาสิบสิบสองถามไหมถามจะได้ตอบอาสงสัยอะไรถามเลยมีไหมมีเวลาเหลืออายุสิบเ อ, อ็ดนาทีอ่ะเอาให้ถามอาแสดงความคิดเห็นก็ได้อมีไหมนายมีไหมไม่มีโอเคนะบอมมีมไหมอ่าแฮมไม่มีโอเคงั้นจบแค่นี้แล้วโอเค ถ้าตว